บอกถ้าไม่มีธรรมะ ก, ก็อยู่ไม่ไหวแต่พอมีธรรมะขึ้นมาในใจมันต้เห็นความจริงโลกมันไม่แน่นอนนะอย่าง้อยเราก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ใช่เริ่มจากศูนย์เลยเรามีชีวิตอยู่พร้อมด้วยประสบการณ์ที่มากขึ้ น, น, นต้นทุนเราไม่ได้เสื่อมสลายไปทั้งหมดในปัญหาที่เกิดขึ้น ถ้าคนไหนขาดธรรมะเวลาเกิด ค, ความแปรปรวนขึ้นในชีวิตอยู่ไม่ได้นี่ลมล้มสลายทางจิตใจจิตใจล้มสลายการดำเ ง, งชีวิตการทำมาคิดอะไรยุ่งไปหมดครอบครัววุ่นวายไปหมดเลยถ้าเป็นพระอย่างหลวงพ่อจะอยู่คนจำนวนมากจะเห็นความทุกเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้มีคนหนุ่มคนสาวแข็งแรง อยู่ๆเป็นมะเร็งเยอะมากเลยคนเห็นนี้เป็นมะเร็งจะตายแล้วกว่าจะรู้ตัวก็ใกล้จะตายแนะลยนะถ้าไม่มีธรรมะมันตายซะ ก, ก่อนจะตายจริงๆตายทางจิตใจจงวยด้วยความทุกข์ทุรนทุรายการธรรมะนม่ให้ประโยชน์เราทั้งในการดำรงชีวิตแล้วก็ประโยชน์ที่ยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกคือถ้าเราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตแล้วเราจอยู่กับโลก มีชีวิตอยู่ยังมีความสุขทุกข์มันจะน้อยลงน้อยลงไม่มีใครสร้างความทุกขให้เราได้คนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้แต่การที่เราดูแลจิตใจของตัวเองไม่เป็นเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเผาผลาญจิตใจตัวเองเพราะฉะนั้นปัญหากับความทุกข์นี่เป็นคนลอันกันปัญหาทั้งเกิดตลอดเวลาอยู่ในโลกนี้เต็ไมไปด้วยปัญหา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 สิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตเรววามีกายกับใจนี่กระทั่งร่างกายเราก็ามีแต่ความแปรปรวนแต่ของบังคับไม่ได้จิตใจมีความแปรพลวนบังคับไม่ได้ถ้าเราเข้าใจความจริงเหล่านี้ได้กนระทั่งตัวเองแปรพลวนไปใจแก่ใจะเจ็บใจตายยังไม่หวั่นไหวเลยเราสมมติทรัพย์สินเงินทองครอบครัวจะเป็นอะไรมันก็ไม่หวั่นไหวไปด้วยสิ่งที่เรารักที่สุดคือตัวเราเอง อยางบางคนบอกว่าไม่จริงเรารักลูกมากที่สุดที่เรารักลูกเพราะอะไรเพราะมันเป็นลูกของเรามันลูกคนอื่นเราก็ไม่รักหรอกเพราะฉะนัจริงๆเรารักเพราะว่ามันเรื่องของนรา่รักตัวเองสูงที่สุดมันุษย์ทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายเนะี่อรักตัวเองมากที่สุดแต่ละเลยที่จะใส่ใจดูแลตัวเองไม่สนใจตัวเอง ต่นนอนมาเราก็คิดถึงคนอื่นคิดถึงสิ่งอื่นสนใจคนอื่นสนใจสิ่งอื่นตลอดเวลาความสนใจเขาเลาออกข้างนอกเราลองทบส่วนย้อนกลับเข้ามาสนใจตัวเองค้นหาตัวเองให้พบถ้าเราค้นพบตัวเองแล้วใจเราจะเต็มอิ่มขึ้นมามันจะไม่หิว ใ, ใจทัว่ว น, นี้มันหิวตลอดเวลาอยากโนอนอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าเราค้นพบตัวเองได้แล้วจะไม่มันจะเต็มอิ่มขึ้นมา ในสมัยพุทธกาลมีเจ้าชายหนุ่มหนุ่มสามสิบองค์ไปเที่ยวหาผู้หญิงไปจ้างผู้หญิงไปด้วยก็เผลอแล้วพวกโสเภณีนั้นขโมยสมบัตินี้ไปเจ้าชายสามสิบองค์เนี่ยที่เราตามเอาสมบัติคืนไปเจอว่าพุทธเจ้าพุทเจ้าถามว่าเธอจะไปตามผู้หญิงดีหรือจะจะค้นหาผู้หญิงนั้นดีหรือจะค้นหาตนเองดีกว่า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 เรารักตัวเองแต่เราลืมตัวเองทั้งวันใจเรามออกนอกไปคิดถึงคนอื่นสิอื่นเวลาคิดถึงตัวเองก็ไม่คิดถึงตัวเองในปัจจุบันไม่รู้สึกถึงตัวเองในปัจจุบันเราจะไปคิดถึงตัวเองในอดีตบ้างในอนาคตบ้างเมื่อก่อนเราอย่างนั้นอนาคตเราจะอย่างนี้เราไม่อยู่กับปัจจุบันเราถ้าเราอยากจะรู้จักตัวเองใจเราต้องรู้จักอยู่กับปัจจุบันนี่ไม่ลงไปในโลกของความคิด คิดไปอดีตคิดไปอนาคตเนี่ยเราจะไม่เห็นความจริงของกายของใจในปัจจุบันนี้เนีศัตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติเลยก็คือการที่ลืมตัวเองหลงไปลืมกายลืมใจมีร่างกายก็ลืมมันมีจิตใจก็ลืมมันนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดเลยนะคนในโลกและสัตว์ทั้งหลายเนี่ยลืมตัวเองตลอดเวลาตั้แต่หลวงพ่อบวชใหม่ๆหนะลวงพ่อพูดได้ในโลกมันไม่มีคนรู้สึกตัว หายากจริงๆเลยคนรู้สึกตัวไม่มีแต่คนหลงไม่ได้แกลว่าใครด้วยนะหลงจริงๆหลงไปอดีตลงไปอนาคตลงไปเรื่องของคนอื่ น, นลงไปเรื่องของสี่งอื่นมันลืมกายลืมใจที่มีอยู่ในปัจจุบันเลยงั้งนงานแรกเลยนะถ้าถ้าเราอยากเรยรู้จักตัวเองให้ได้คนพบตัวเองให้ได้คือต้องรู้สึกตัวให้เป็นถ้าหลงเลินไปเราก็จะลืมตัวเองมีร่างกายเราก็ลืมมีจิตใจเราก็ื การที่หลงไปนี้แหละคือศตรูเบอร์หนึ่งของนักปฏิบัติลนะ่ะศตรูหมายเลสขสองนักปฏิบัตินั้นก็คือการไปบังคับกายบังคับใจคงร่างกายเคยหายใจสบายๆนะก็หายใจไม่สบายนะไปบังคับการหายใจของตัวเองเคยยืนเดินนั่งนอนอย่างสบายๆนะก็ไม่สบายแนละ้วพอคิดถึงการเดินจงกรมนั้นก็ไปดัดแปลงการเดินให้มันไม่เหมือ น, น, น, นธรรมดานะ จะนั่งก็ต้องนั่งไม่เหมือนธรรมดาจะเดินก็ไม่เหมือนธรรมดาอะจะนอนก็ไม่เหมือนธรรมดาช้กินก็ไม่เหมือนธรรมดามันบังคับกายบังคับใจตลอดเวลาไปเกตตัวเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติธรรมพอเราลงมือปฏิบัติธรรมเราจะเริ่มด้วยการบังคับตัวเองเกือบร้อยลร้อยเลยพอลงมือนั่งก็เริ่มต้นงบังคับร่างกายต้องนั่งทานี้นะแล้วก็เติมตลอด นิ้วควรจะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ไม่อยู่อย่างนี้ไม่อยู่อย่างนี้ออมีหลายแบบเริ่มเสียงได้เรื่องที่นั่นเซนมาก ไ, มได้เรื่องเลยบังคับตัวเองเวลาจะเดินจงกลมพ่อแม่สอนให้เดินมาตั้งแต่เด็กเดินเก่งเดินชัก ป, ปิ้งวันหนึ่งหลายชั่วโมงก็ได้เดินจงกลมนะงานแรกที่ทําก็วางฟอร <c oughs> แล้วก็เริ่มเสียงกันมือจะอยู่ตรงนี้รื่อยู่อย่างนี้ ไดอยู่อย่างนี้เจีนะเ่ยงกันเที่ยงกัทีเปลือนะเริ่มต้นบำบับร่างกายสำเร็จแล้วพอไปบังคับใจนะนั่งได้ดีเลยก็งบงคับใจบำนะบัดเวลาจะเดินจงกรมเหม็นไหมพอวางฟอมข้าที่แล้วก็บงบับใจบงคับกายเสร็จแล้วก็บังคับใจนะบบกใคใจค็คลึงคลึงไว้ก่อนคลึไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะ <laughs> ค สิ่งเหล่านี้ในหะ้เราไม่เห็นความจริงของกายของใจเพราะเราไปแทรกแสงกายแทรกใสก่สสใจเสียแล้วถ้าปฏิบัติธรรมที่เราจะให้ประจักษ์ตัวเองค้นพบตัวเองนะเราต้องต้องดูดตัวเองอย่างที่มันเป็นร่างกายมันเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตใจเป็นยังไง ร, รู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเริ่มต้นด้วยการบังคับตัวเองนะกายก็นิ่งกว่าความเป็นจริงจิตใจก็นิ่งกว่าความเป็นจริงลองพลาด และสิ่งที่พลาดมีสองอันหนะึ่งหลงไปเผลอไปลืมกายลืมใจเวลาใจลอยรู้สึกไหมเวลาใจลอยเรามีร่างกายเราลืมมันไปแล้วจิตใจเราจะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วเราไม่รู้เราลืมมันไปแล้วเนี่ยสตูเบอร์หนึ่งสตูเบอร์สองก็บังคับกายบังคับใจให้มันเคลียดเครียนในภาษาบาลีสุดโต่งไม่ข้างหลงไปตามกิเลสไปในหลัการมาสุขาริการุยโยค สุดตรงมาข้างบังคับกายบังคับใจเร่ออ่างไตทิรามาฐานโยมสองสิ่งนี้นะคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกว่าบัญญัติชิดไม่ควรเสพในพวกเราก็ถือเป็บัญญัติชิดด้วยก็แล้วกันนะเป็นนักปฏิบัติไม่ถึงขนาดออกบวชเราก็เป็นนักปฏิบัติแค่สองสิ่งนี้เราไม่ออกอย่าให้จิตสุดตรงไปสู่ความสุดตรงสองข้างข้างตามใจกิ เ, เลสเผลอเผลอไปลืมตัวเองกับข้างข่ม กายข่มใจบังคับกายบังคับใจทํากายให้ลําบากทําใจให้ลําบากท่าเจมส์ได้เดินช็อปปิ้งได้หลายชมมมั่วโมงได้เดินจงกลมนะสินาที20นาทีจะตายแล้วเครียดจะตายแล้วเพราะมันทำตัวให้ลําบากทางสายกลางอยู่ที่การรู้ตามความเป็นจริงนะการรู้ตามความเป็นจริงร่างกายเรามีอยู่แล้วร่างกายเราหายใจอยู่แล้วร่างกายเราเปลี่ยนอิธิยาบทยืนเดินนั่งนอนอยู่แล้วเราไม่ลืมมันแค่ไม่ลืมมัน แต่อย่าไปจ้องมันแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของมันนะแต่ไม่เฝ้าจ้องแบบแมแบบ่คลาสสายตาแค่รู้สึกคำว่าแค่รู้สึกนี่มันเป็นดีกรีของการรับรู้ครับ ถ, ถ้าจ้อง ม, มัจ้องจ้าเอาแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของร่างกายแค่รู้สึกถึงความมีอยู่ของจิตใจไม่ใช่หลงไปแลก็ไม่ได้จ้องไวนะ้แค่รู้สึกเงินความรู้สึกตัวนี่เป็นจุดสาคัญมากเลย ถ้าเราไม่แค่รู้สึกแั้นเราก็เพ่งแรง ไ, หไปหรือไม่ก็หลุดไปเลยเสย์อไปเลยอ่อนไปนะขนาะนี้สังเกตไหมตั้งใจฟังเห็นส่วนหนึ่งจิตใจวิ่งมาอยู่ที่หลวงพอ่อส่วนหนึ่งจิตใจมีไปคิดรู้สึกไหมฟังแล้วก็ไหลไปคิดฟังแล้วก็ไหลไปคิดขณะที่เราไหลไปคิดนะสังเกตไหมเราลืมกายลืมใจตัวเอง ขณะตั้งใจฟังหลวงพอ่อเราลืมกายลืมใจตัวเองรู้สึกไหมเมื่อจะตั้งตั้งใจฟังธรรมะนะจิตเป็นกูศลนนะยังลืมกายลืมใจเลยในพยายามค่อยๆรู้สึกแต่ว่าการฟังธรรมเนี่ยก็ต้องฟังแบบที่ตั้งใจฟังอย่างนี้แหละแต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงนี่ไปตั้งใจจ้องตลอดเวลาไม่ได้นะเอาแค่รู้สึกแค่รู้สึกในพยายามหน้าแค่รู้สึกแต่ถ้าเพ่งนะ อย่างนี้เกิดไปอย่างนี้ไม่ใช่แค่รู้สึกแลแค่รู้สึกถ้าเราแค่รู้สึกนะใจจะหลงโร่งเบานะแต่ถ้าเพลงจ้องเนจนะใจจะแน่นใจจะหนักแล้วเราวัดตัวเองได้เลยถ้าเมื่อไหร่ใจมันหนักหนักแน่นๆลงมือปฏิบัติแล้วหนักหนแน่นแนะของเกลียละของปลออลนะกลายเป็นเพลงมากไปนะใช้กินข้าว ว่าคนหรวงพ่ไปเรื่จากคนนั้นฝึกกรรมาฐานอะไรมารู้ก็รมจรู้เหมือนกันแตบอกไม่ได้จิเ <c ười> ข, ข้าวชาว้าเราแปลงฟันนะแค่แปลฟันไเจอเพื่อนกินข้าวกลางันเสร็จแล้วก็ยัแปลฟันไม่เสร็จเนี่ย อ, อ, อ, อตายเงือแห้งพอดีมันจะิดธรรมชาติอย่าไปคิดว่าทํามะนี่ผิดธรรมชาติธรรมดานะ ของธรรมดาที่สุดเลย ม, มันง่ายจุดยากง่ายจนเราคิดไม่ถึงว่ามันง่ายขนาดนี้เราจะไปวาดภาพเลย奢华ยุ่งยากไปหมดเลยไม่ได้มีอะไรยุ่งยากขนาดนั้นเลยยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆนะเพื่อแช่สอนนะดูกราฟิกสูตรทั้งหลนะายเมื่อหายใช้ออกหายใจออกยาวรู้ว่าหายใ้ออกยาวหายใ้เข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายา ว, ว, าา ย, า ว, ย, าวยากตรงไหนอ่ะ ถ้สอนง่ายๆเลยพิสูจน์ท่างหลายให้ครูบัลลังครูบาลลังคือนั่งสมาธิทําไมต้องนั่งสมาธิเพราะพระสมัยนั้นไม่มีก็อีจะนั่งคนแขกคนอิตเดียนั่งกระเพื่อนก่อนนั่งกระปวทั้งหลายก็นั่งกระเพื่อนถ้าสอนให้นั่งกระเพื่นนั่งอรเพื่นแล้วบอกพิสูจทั้งหลายอยงนั่งทับเพียมไม่ไหวใช่ไหมนั่งไม่สบายนั่งไม่ได้นานให้ครูบัลลังนั่งสมาธิเป็นท่านั่งที่สบายที่สุดสําหรับการนั่งที่พื้น นะผู้บรรลังตั้งกายตรงๆดำรงสติเฉพาะหน้าไม่ได้บอกให้เพ่งนะว่าให้มีสติอยู่เฉพาะหน้าเพียแค่รู้สึกรู้สึกถึงต่างกายที่กำลังหายใจอยู่ผู้บรรลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไม่มีคำว่าหลับตาด้วยนะของเราก็ตั้งแต่ผู้ต้องหลับตาไว้ก่อนทําไมต้องหลับตาไว้ก่อนเพราะมันชินเมื่อกว่อนดูหนังจากอยางงงงมากนะเห็นลื่สีที่ไรเขานั่ง หลักฐานนะั้นใช่นานเท่าไหร่ยิ่งดีหนวงนุ่งยาวนอกก็จาบไปทําลังได้นะถือว่ายอดเยี่ยมเลย <c oughs> มันไม่ได้เรื่องเท่าไรหร่หรอกเราจะทำเกิดทีวิชะาสอนแค่สอนของง่ายเท่านั้นเลยพระเยซูวัดทางหลายให้เธอกูบ้บรลลังตั้งกายตรงดําโนสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้วหาใจเข้ายาวแค่ ร, ครู้แค่รู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจใจเรารู้สึกอย่างสบายๆรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ ไมได้สอนว่าพิสูจนทั้งหลายเพ่งไว้เพ่งไว้ลูกนะเพ่งหรือพิสูจนทั้งหลายปล่อยใจให้เคลิม้มนั่งแล้วปล่อยใจเคลิม้มไม่เคยสอนในสิ่งเหล่านี้แต่พวกเราทําแต่เห็นไหมพอเรานั่งสมาธิปุ๊บถ้าไม่บังคับให้เครียดเคียดตึงตึงไว้ก่อนแนละ้วก็เคลิ้มไปเลยบางคนชอบปล่อยใจให้เคลิมคิดว่าเคลิ้มแลคือสงบงเมื่อก่อนหลวงพ่อหันตอนเด็กๆ ก, ก็สังเกตุดูให้ตอนที่จิตมัเป็นสมาธินั้นมันเหมือนเคลิมคล้ม ในแก้นเคลิม้มในแก้งแกปล่อยไปนะปล่่้ยได้ยิ่งดีมากเลยลับไปชั่วโมงหนึ่งวนเวลาตื่นขึ้นม า, าวันนี้สงบก็จริงวันนี้สลบเปชั่วโมงอย้ไม่ได้เรื่องหรอกให้รู้สึกตัวของง่ายทัสิ้นเลยพิสูจเท่าไหายเมื่อจะก้าวไปให้รู้สึกนะเมื่อถอยหลังเข้ามาให้รู้สึกอนะไร เมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่เมื่อเดินอยู่ก็รู้ชัดว่าเดินอยู่เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่เมื่อนอนอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่นอนอยู่คำว่ารู้ชักเป็นไงรู้ชัดมีรู้สองชนิดซ้อนกันรู้ได้สติก็รู้ได้ปัญญารู้ได้สติก็คือรู้ถึงการที่กําลังยืนเดินนั่งนอนอยู่ไม่ขาดสติถ้าขาดสติคือเสือลืมไปเลย ยืนอยู่ก็ไม่รู้เดินอยู่ก็ไม่รู้นั่งอยู่ก็ไม่รู้นอนอยู่ก็ไม่รู้นะขยับมือก็ไม่รู้อย่างพวกเรานั่งแล้วกลันเก่าต้นเก่านี้ น, นนะนแล้วก็ลั้นแต่ลมันเราไม่รู้นะ<ม>แค่แ ค, แค่คอยรู้นะถ้ากายเคลื่อนไหวคอือรู้ได่รู้ด้วยสติคือรู้ถึงความมีอยู่ของกายรู้ด้วยปัญญาก็คือเห็นว่าตัวที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่ไม่ใช่ตัวเราเหรอกเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุอย่างพิสุทั้งหลายเมื่อเดินอยู่ให้รู้ชัดว่าเดินอยู่ การู้ถึงร่างกายที่เดินอยู่แล้วก็มีปัญญาอย่างรู้ลงไปว่าตัวที่เดินอยู่นะเหมือนกุ่นยนต์ตัวหนึง่งท่านเองใจเราอยู่ต่างหากใจเราเป็นคนดูสบายเห็นได้ตัวนี้มันเดินไม่ใช่เราเดินเห็นได้ตัวนี้มันนั่งไม่ใช่เรานั่งเห็นตัวนี้มันนอนไม่ใช่เรานอนอยู่ที่ใจนะใจหัดมองให้เห็นว่า้ตัวร่างกายเราหาที่ยืนเดินนั่งนอ น, นใจเราเป็นคนดูร่างกายมันยืนเดินนั่ง น, นอ น, อนได้เห็นเหมือนเห็นคนอื่นยืนเดินนั่งนอน ไม่คำสอนคนท่านง่ายๆนะไม่มีอะไรลึหลับหรอกหรือสอนดูจิตดูใจพิสูจทั้งหลายเมื่อจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะเมื่อจิตไม่มีราคะให้รู้ว่าไม่มีราคะแค่รู้เองนะแค่รู้เองจิตมีราคะท่านไม่เคยสอนนะว่าพิสูจทั้งหลายอย่ามีราคาะไม่ได้สอนอย่างนั้นนะ พิกษ <ph> so <aku> hey, so ุทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามันมีราคะอยู่เมื่อจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่ามันไม่มีราคะดูพระพิสูทั้งหลายเมื่อจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะเมื่อจิตไม่มีโทสะก็รู้ว่าไม่มีโทสะท่านไม่ได้สอนบอกว่าดุพระพิสูจทั้งหลายห้ามมีโทสะดูกรพิสูจทั้งหลายเมื่อมีโทสะแล้วให้รีบล้เสีย สิ่งที่หลวงพอพูดเกินมาเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราทําตอนนั้นเลยเวลาเราภาวนานคิดทํายังไงจะไม่มีกิเลสท่านแค่สอนว่าถ้ามีกิเลสให้รู้ว่ามีกิเลสท่านไม่ได้สอนว่าอย่างมีกิเลสแล้วเมื่อมีกิเลสแล้วท่านก็บอกว่าให้แค่รู้อย่างที่มันเป็นนะมันมีอยู่รู้ว่ามันมีไม่ใช่สอนมาให้รีบหลักมันเสียอมเนะี่ยสิ่งเหล่านี้นะเป็นของประณีตนะละเอียดอ่อนมากเลยในการปฏิบัติถ้าเราพลาดเราจะสุดโต่งไป ข, ข้างบังคับตัวเองทันทีเลย ไม่ให้เกิดกิเลสต้องบังคับตัวเองอย่างแรงเลยนะกิเลสเกิดแล้วหาทางดับนี่ก็ต้องบังคับตัวเองอย่างแรงเลยทําไม่ได้หรอกเพราะว่าจิตเป็นอนัตตากิเลสก็เป็นอนัตตาสติสมาธิปัญญาเป็นอนัตตาที่เราบังสั่งมันไม่ได้อย่างใจชอบแต่้รู้อย่างที่มันเป็นจิตมีราคารู้ว่ามีราคาราคาหายไปแล้วรู้ว่าจิตไม่มีราคาตาหูจมูกเลี้ย ใ, ใจใจนัอโรมรจิตมีโทสะรู้ว่ามันมีโทสะ พอรู้ทันแล้ตัวสาหายไปก็รู้ว่ามันหายไปทําไมเราแค่รู้แล้วมันดีมันยังไงทําไมมันดีหรือจิตมีโมหะจิตไม่มีโมหะจิตเวลามีโมหะมั น, นจะลืมตัวเองจิตไม่มีโมหะมันรู้เนื้อรู้ตัวเป็นจิตผู้รู้ขึ้นมาถ้าเวลาจิตมีโมหะก็เป็นจิตผู้หลงหลงคิดหลงนึกหลงปรุงหล ง, ลงแต่งหลงเพ่งแปแล้วจิตหลงไปก็รู้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็รู้ความจริงถ้าเราจะปฏิบัติ เอามากเผลฝนนะไม่ต้องทำอะไรเยอะหรอกกรรมฐานที่หลวงพ่อพูดมาวือ พ, พ่อพุทธเจ้าสอนให้ฟังยกตัวอย่างว่าพุทธเจ้าสอนอะไรมาเนี่ยเป็นคำสอนสำหรับคนทั้งหลายคนะแต่สำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยเราต้องการกรรมฐ า, านนิดเดียวเท่านั้นเองยกตัวอย่างคนไหนขี่โมโหโกรธเก่งนะดูแค่ว่าจิตมีโทสะรู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะกรู้ว่าไม่มีโทสะ คนไหนลอภมากมีแต่ราคะเจออะไรชอบไปหมดเลยอยากได้ไปหมดเลยนะมันมันเต็มไปได้วยความอยากแล้วก็ดูแค่ว่าจิตมีโลภขึ้นมาจิตมีราคาขึ้นมาก็รู้ราคาหายไปจิตไม่มีราคาก็รู้เอาวันเดียวกับคู่เดียวไม่ต้องเรียนเยอะนั่กรรมฐานจริงๆสําหรับคนคนหนึ่งเนี่ยไม่เยอะนะไม่ใช่ต้องเรียนให้ครบสติปัฏฐานสี่สตรีจะเป็นพระอรหันต์ไม่มีหรอกไม่มีใครต้องทําอย่างนั้นหรอก ถ้ากรรมฐานนั้นทำอันไดอันหนึ่งเท่านั้นเองให้พอพอดีพอดีกับนิสัยเราขีาโ้โลกโลกโน่นโลกนี่อยากตลอดเวลาจิตมีความอยากให้มาให้รู้ทันพระที่รู้ทันจิตก็หายอยากก็รู้ว่าจิตไม่มีความอยากไม่ใช่ฝึกเพื่อให้หายอยากไม่ใช่ฝึกเพื่อไม่ให้ความอยากเกิดขึ้นเอาแค่ว่ามันมีความอยากเกิดขึ้นมีความโลภเกิดขึ้นให้รู้ว่ามันมีเท่านั้นเองเพามันหายไปก็ ร, รู้ว่ามันหายไปนะ คนไหนขี้โกรธเขาดูไปจิตมันโกรธแล้วไปขัดใจขึ้นมาแล้วรู้ว่ามันขัดใจรู้ทันแต่เดี๋ยวนี้ความขัดใจหายไปรู้มหายกันล้หรือคนไหนฟุ้งซ่านเก่งเดี๋ยวก็หลงไปคิดเดี๋ยวเขาหลงไปคิดค่อยรู้ทันจิตที่หลงไปคิดไปจิตมีโมหะแล้วหลงไปคิดอาจจะช่วยมันนิดนึงหากพูดโทหาดหายใจหาดดูท้องฟองยุบอะไรก็ได้แลเวลาจิตมันหนีไปคิดเราจะได้รู้ได้ไหวๆแล้วไม่หลงยาว ถ้าไม่มีเครื่องอยู่ของจิตเลยเวลาจิตมันหลงแล้วก็มันจะหลงนานเพราะฉะนนถ้าคนไหนจิตมันฟุ้งซ่านมากหลงเก่งอะไรเนี้ยนะหาพุทโธไปหาใจใจไปแล้วจิตมันหนีไปคิดแล้วไม่เยรู้มันจะได้ไม่หลงยาวไม่งั้นมันหลงวันละครั้งนะ่คือตั้งแต่ตื่นจนหลับหลงครั้งเดียวแล้วนักปฏิบัติจิตไหลแป๊บหลงไม่คิดเขารู้ทันจิตหลงไปคิดถ้าเกิดเป็นจิตรู้ขึ้นมาเดี๋ยวหลงใหม่แป๊บรู้ทัน เกิป็นจิตที่รู้ทันขึ้นมาทั้งวันจิตมีสองอย่างเองคือจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกจิตที่หลงไปกับจิตที่รู้สึกคนไหนที่โกรธก็ทั้งวันมีจิตสองชนิดจิตที่โกรธกับจิตที่ไม่โกรธคนไหนที่โลภทั้งวันมีจิตสองชนิดจิตที่โลภกับจิตที่ไม่โลภฝึกไปด้วยไม่ใช่เพื่อฝึกไม่ให้จิตโลภจิตโกรธจิตหลงแต่ฝึกจนเห็นความจริงว่าจิตโลภเพื่อช่วยคลาวจิตที่ไม่โลภเพื่อช่วยคราว จิตที่กโกรธก็ชั่วคราวจิตที่ไม่กโกรธก็ชั่วคราวจิต ท, ที่หลงให้คิดก็ชั่วคราวนะจิต ท, ที่รู้สึกตัวที่เป็นจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็เป็นของชั่วคราวฝึกเพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นของชั่วคราวนะแต่ว่าเอาคู่ใดคู่หนึ่งที่เรามีมากที่สุดนะเอามาใช้เป็นฐานเป็นมิจาาธรรมเครื่องอยู่ของจิตคลิกโกรธก็ดูจิตโกรธกับจิตไม่โกรธเพื่อให้เห็นว่าจิตโกรธก็ไม่เที่ยง จิตที่ไม่โกรธเขาไม่เที่ยงไม่ใช่เพื่อให้จิตไม่โกรธนะดูไปเพื่อให้เห็นว่าจิตโกรธเขาไม่เที่ยงจิตที่ไม่โกรธเขาไม่เที่ยงพวกฟุ้งซ่านก็ดูไปจิตที่หนีไปคิดเขาไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวเขาไม่เที่ยงแล้วบังคับไม่ได้จิตจะหนีวิคิดห้ามมันไม่ได้จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกไม่ได้ตรงที่เห็นว่าไม่เที่ยงเนี่ว่าเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าบังคับมันไม่ได้นี่ว่าเห็นอนัตตาเห็นอย่างไรก็ได้แล้วแต่ถนัด อันใดหนึ่งนะในอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาทำไมต้องมีจิตสองชนิดเวลาเรียนทำไมเรียนเป็นคู่คู่จิตของเราเปกตินะมันเป็นคู่คู่อยู่แล้วแต่เราไม่เคยเห็นหอกหลงโลกหลดหลงอะไรทั้งวันกุนตรุดไปหมดไม่เคยรู้ไม่เคยเห็น น, นี่ชีวิตของเราตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมันยืนพื้นด้วยจิตหลง จิตหลงเนี่ยไม่สามารถรู้ความจริงอะไรได้เลยเป็นจิตที่ปิดกั้นปัญญางั้นจิตที่ไม่มีโมหะนะคาว่าโมหะเนี่ยสิ่งที่ตรงข้ามกับโมหะเรียกว่าอหา์โมหะอหโมหะก็คือตัวปัญญา น, นั่นเองจิตที่หลงอยู่ไม่มีปัญญาหอกแล้วถ้าตลอดชีวิตเรามีแค่จิตหลงเนี่ยเราไม่มีปัญญาเห็นความจริงของกายของใจของรูปนามได้เลยงั้นการที่เรามาคอยฝึกนะให้จิตรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วแวบเดียวหลงไป เรารู้สึกขึ้นมาแล้วแวบหนึ่งมันลงไปอันได้ดีที่สุดไม่ใช่ฝึกให้เป็นผู้รู้แล้วก็รู้อยู่ทั้งวันทั้งคืนแลมีจิตชนิดเดียวคือจิตรู้อย่างเดียวเลยนะหรือจิตฝึกให้เป็นจิตไม่โกรธเลยฝึกให้เป็นจิตไม่โลภเลยอันนี้ฝึกจิตเพื่อจะเอาเป็นอันเดียวอันนี้ไม่ถูกนะเราไม่ได้ฝึกจิตเพื่อให้เป็นอังเดียวแต่เราฝึกเพื่อให้เห็นว่าจิตนั้นมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอย่างถ้าดูจิตโลภเราก็เห็นเออจิตโลภอยู่ชั่วคราวแล้วก็หาย กลายเป็นจิตไม่โลภตัวจิตโกรธเราก็เห็นจิตโกรธอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปเป็นจิตไม่โกรธตัวจิตหลงเราก็เห็นจิตหลงไปคิดนะแล้วก็รู้สึกตัวพลันหันระหว่างหลงคิดกับจิตที่รู้สึกตัวนะมันจะทําให้เราเห็นไตร ล, ลักได้ได้มันจะพลิกไปพลิกมาพลิกไปพลิกมานะการที่เราคอยเห็นใจรลักของกายของจิตไปด้วยเองกายหาย ใ, ใ้ออกก็ไม่เจียงกายหายใจเข้าก็ไม่เจียงก็เรียกว่าเราจะเจรินปัญญาอยู่ กายหาใจออกก็ไม่ใช่ตัวเรากายหาใจเข้าก็ไม่ใช่ตัวเรานี่ก็เรียกเราเดินปัญญาอยู่เห็นจิตนะโรคหลุดลงก็ไม่เที่ยงจิตรู้สึกตัวขึ้นมาก็ไม่เที่ยงอนะไรอย่างนีมีแต่ของไม่เที่ยงหรือเราบังคับไม่ได้จิตโรคหลุดลงเราบังคับไม่ได้จิตรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกก็ไม่ได้นี่เห็นอนาคตได้เฝ้ารู้ลงไปนะเราเรียนรู้ความจริงของตัวเองความจริงของตัวเราเองก็คือไตรลักษณ์ คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเท่านั้นเองพอเรียนมกเข้ามาเข้านี่ปัญญามันจะเริ่มเกิดจะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยกระทั่งร่างกายจิตใจของเราเนี่ยก็เป็นของชั่วคราวร่างกายหายใจออกก็เป็นของโชวคราวร่างกายหายใจเข้าก็โชวคราวร่างกายยืนเดินนั่งนอนก็โ่วคราวร่างกายมีความสุขร่างกายมีความทุกข์ก็ชโชคคราวจิตใจมีความสุขจิตใจมีความทุกข์ก็โชวคราว Jobs, โลภ ก, ก็ชั่วคราวจิตไม่โลภก็ชั่วคราวจิตโกรธก็ชั่วคราวจิตไม่โกรธก็ชั่วคราวจิตหลงไปก็ชั่วคราวจิตที่รู้สึกตัวก็ชั่วคราวเนี่ยเรียนอย่างนี้นะเนีนต่อไปหรือจิตจะโลภเราสั่งไม่ได้ห้ามไม่ได้จิตจะหายโลภเราก็ทําให้หายไม่ได้มันหายของมันได้เองเนี่ยเฝ้าดูอย่างนี้เห็นอนัตตาจิตจะนีไปคิดก็นีวิคิดเองไม่ได้เจตนาห้ามมันแม้จิตมันก็จะคิดบังคับมันไม่ได้เแสดงอนัตตา ได้ฝ้าดูลงไปเรื่ยนะตัวนี้แหละเป็นพิธีการที่เราจะเรียนรู้ตัวเองถ้าเราเรียนรู้ตัวเองอย่างแจ่มแจ้งเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่ประกอบกันขึ้นมาเป็นตัวเรานะั้นประกอบด้วยรูปธรรมบ้างนามธรรมบา ง, ง, าบางจํานวนมากมีรูปธรรมจํานวนมากมาประกอบกันเป็นร่างกายของเรานะมีธาตุดินธาตุนะ้าธาตุไฟธาตุลมตั้งอยู่ในสเปซในอากาศสุทธานะ ส่วนจิตใจเราก็มีหลายอย่างมาประกอบกันมีความรู้สึกสุขทุกขนะ์มีความจํามีความคิดนึกปรุงแตง่งมีความรับรู้ที่มาประกอบกันแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนะล้วแต่เกิดเรากระดับทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแต่มิเที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ทั้งสิ้นเลยล้วนแเป็นแปลงตามเหตนะุเราจะเรียนรู้ตัวเองจนวันหนึ่งเราพบว่าตัวเราไม่มีนะตัวนี้อัศจรรย์ที่สุด คำว่าตัวเราไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรเลยคำว่าไม่มีหมายถึงไม่มีสิ่งซึ่งเป็นตัวตนถานบลถ้าตราบใดมีเหตุก็ย่งมีอยู่ถ้าไม่มีเหตุมันก็ไม่มีตัวอย่างก็ดับลงไปนั่นคำว่าไม่มีคำว่าไม่มีไม่ใช่แปลว่าไม่มีอะไรไม่ใช่แปลว่านอสซิงแต่หมายถึงไม่มีอัตราตัวตนที่ถาบมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับลงไป ให้ปรากฏการ์ของโลกทั้ง ร, รูปธรรมนามธรรมทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจการเมือง ส, สังคมอะไรที่มันปรากฏขึ้นมาต่อนหน้าต่อตาเรามันก็ลักษณะเดียวกันคือมันมีเหตุ er, มันก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุมันก็นนดับสไลายไปในกายในใจของเราก็เป็นแบบเดียวกันมีเหตุก็เกิดขึ้นมาหมดเหตุก็ดับสไลายไปเราเฝ้ารู้ลไปนะจนเราเห็นความจริงว่าทุกอย่างในชีวิตของเรานะทั้งสิ่งที่ประกอบแันเป็นตัวเราทั้งสิ่งที่อยู่ภายนอกเนี่ย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 เท่าที่สังเกตดูถ้าลูกตายในนี้เป็นความทุกข์ที่รุนแรงที่สุดเลยถ้าพ่อแม่ตายเนี่ยเป็นความทุกข์ที่ไม่แรงมากสามีปัญญาตายบางทีเป็นความสุขอันนี้เอาไม่เอาแน่ไม่ได้นะเวอร์จีก็ทุกข์บางคนก็ทุกข์บางคนก็สุขถ้าพ่อแม่ตายบางทีก็ดีใจหน่อยๆเจ็บมานานแล้วด้จักตายซะจีอะไรเป็นภาระแต่ลูกตายนี่นทุกข์จริงๆเลย นามสถิติใครมีลูกบ้างใครคิดไหมว่าลูกจะตายก่อนเราแค่คิดก็กลัวแล้วรู้สึกไมคิดก็วันไห้แล้วนะ้เวลาที่คิดว่าพ่อแม่จะตายก่อนเราหวั่นไหวมากัหมไม่เท่าไหร่หรอกงั้นในชีวิตเราเนะี่ยมันเกิดอะไรซึ่งนลื่นไม่ถึงนะได้เสมอใครจะรู้ว่าลูกจะไม่ตายก่อน แต่ถ้าจิตเราฝึกตีแล้วถ้าลูกตายเราก็เห็นว่าเออลูกเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วเขาอยู่กับเรามาช่วงหนึ่งนะให้ความสุขให้ความทุกข์กับเรามาพอประมาณนะตอนนี้เขาแยกไปแล้วอะไรเงี้ยจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะพลดพลาดจากสิ่งที่รักใครมาอยู่อเมริกานี่แบบไม่มีความสุขเห็นไหมจาใจมาต้องมาเรียนต้องมาทำมาหากินอะไรเงี้ยไปอยู่นานๆก็ปรับตัวได้ก็มีความสุขขึ้นมาได้ คนไทยปรับตัวจริงเหมือนน้ำนะซึมไปเไรื่อยๆแพ้ก็แพ้คนจีนเขาเก่งจริงเพราะฉะนั้นเรามาเรียนนะมาเรียนภสเกตของจริงในกายในใจของเราจนเห็นเลยทุกอย่างเป็นเ ข, ขาชั่วคราวของจริงนั้นแสดงตัวอยู่แล้วไม่ต้องแกล้งทำ ไม่ต้องแกล้งเพราะงั้นเวลาปฏิบัติจะเดินจงกรมเดินไปแล้วก็เห็นไปแล้วร่านกายที่เดินอยู่ไม่ใช่ตัวเรารู้สึกไปไม่ต้องแกล้งเดินท่ า, น, น, า, น, ทา น, นั้นท่านี้คือนั่งอยู่ก็ไม่ต้องแกล้งนั่งท่ า, า, า, า, า, านนั้นท่า น, นี้ถนัดท่าไหนก็ท่านั้นใครรู้จักหลวงพ่อคูณมั้งเคยเห็นรูปไหมเห็นหรือว่าคุณนั่งท่า น, นั้นเก่งเนะ<ฮ>าะให้หลวงพ่อไปนั่งท่านนั้นคงตีหลังกาลเลยแล้วท่านั้งท่านั้นได้ ถามว่าท่านนั่งหนึ่งการทำสมาธิได้ไหมทำได้ไหมทำไมไม่คู่บันหลังเนีตั้งกายตรงอ่ะท่านั่งคุกเขาเ่านั่งยองยองถืาหน้าของท่านได้ไม่เกี่ยวเลยนะอยู่ที่ใจการอิริยาบถ ท, ท่าทางอะไรเนี้ยเป็นเรื่องรองนะอย่าไปดัดแปลงมันเราถนัดนั่งเก้าอี้เราก็นั่งเก้าอี้ภาวนาหลวพ่อไม่ถนัดนั่งเือนโดยหุ่นแล้วไม่เหมอง อา ก, การนันนร่งคืินนั่งเก้าอี้เดินจงกรมล่ะโดยหุ่นของหลวงพ่อเดินจงกรมไม่เก่งหรอกมันเป็นกรมกรมพันธุ์นะกินข้าวน้อยกว่าลูกศิษย์หลายเท่าเลยจะโ ต, ต, เ, อตเอาตัวเอาลูกศิษย์นี่พ ร, พร <c oughs> พ้อมของมว่านั่งไม่ถนัดให้เดินไนนม่ถนัดหลวงพ่อนั่งเยอะนี่พอ น, นั่งสะเป็นเทมที่เกลื่อนไงพออายุเยอะขึ้นนะนั่งนิ่งๆเกลื่อนหลวงพ่อใช้วิธีเคลื่อน่อย ไม่ข ย, ยับอย่างลวงพ่อเทียนเนี่ยถ้าสิบสีจังหวเดียับแล้วรังคารแราวจิตเป็นพวกโทสะจริตแล้วโทสะจริตนู่นก็มีพัดอยู่ น, นั้นไม่มีนะเขาเห็นว่าหนาวถ้าอยู่ที่วัดจะมีพัดพัดพัาแล้วรู้สึกตัวนะเห็นหน้างกายเคลื่อนไหวใจรู้สึกใจดีเพราะพัดแล้วใจดีไปแล้วรู้สึกแค่นี้เอง น, นะง่ายๆแค่นี้ไม่เห็นต้องเดินสวยงามเท่านั้นเท่านี้เลย พยัก ก, ก็แค่รู้สึกนี่อะไรมันก็เต็มฟูงของการเดินจงกรมที่ทำนะนะแค่รู้สึกพยักหน้าอยู่แค่รู้สึกเคลื่อนไหวอยู่แค่รู้สึกเป็นสุขขึ้นมาแค่รู้สึกว่ามันมีความสุขแค่รู้สึกว่ามันมีความทุกข์แค่ยิ่งแค่รู้สึกเท่านั้นนะไม่เพ่งไม่จ้าไม่บังคับไม่กดข่มถ้าเพ่งจ้องมันจะแน่ถ้าแน่เราผิดหลือตึงเกินไปแต่ถ้าใจลอยไม่รู้สึกอันนี้หย่อนเกินไป เพราะอยให้ลงไปสองข้างนะอ่อนเกินไปเบาไปหลายใจลอยไปไม่รู้สึกเพ่งแรงไปแนละ้วมันเกิดรู้สึกธรรมดาแล้วอันนี้ตึงเกิดไปอย่าให้ใจลงไปสุดโต่งสองฝั่งเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยง่ายมากเลยเวลาที่เราหาควรู้สึกตัวนะ น, นี้หลวก็จะพูดเรื่องดูจิตให้ฝังการดูจิตจริงๆเนี่ยทได้สารพัดเ ดูจิตเพื่อให้เกิดสติก็ได้ดูจิตเพื่อให้มีศีลก็ได้ดูจิตเพื่อให้เกิดสมาธิก็ได้ดูจิตเพื่อให้เกิดปัญญาก็ได้ไม่เหมือนกันการดูจิตแต่ละอย่างแต่ละอย่างนั้นตัไม่เหมือนกันอย่างพวกเราได้ยินคำว่าดูจิตแล้วรเราไม่รู้ฟังแล้วไม่ไม่เข้าใจว่าแต่ละอย่างมันแตกต่างกันดูจิตให้มีสตินะีนะ่เบื้องต้นทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งก็ได้จะพุโทโธจะหายใจอะไรก็ได้นะพุโทโธพุธโทโธจิตเป็นไหลไหมเรารู้สึก จิตนหนีไปเรารู้สึกอย่างนี้ก็ได้หรือว่าเราดูที่ตัวจิตตรงๆเลยก็ได้จิตเป็นสุขขึ้นมาไปรู้จิตเป็นทุกข์ขึ้นมาไปรู้จิตดีขึ้นมาเคยรู้จิตชั่วขึ้นมาไปรู้เคยรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตเลยใช้จิตเป็นฐานใช้จิตเป็นวิหารธรรมโดยตรงเลยเนี่ยเราดูความเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่เปลี่ยนต่อไปความรู้สึกมันเปลี่ยนนี้เดี๋ยวนะเราไม่ได้เจตนาจะรู้เลยมันรู้ขึ้นเอง ตรงที่ไม่ได้เจตนาจะรู้แล้วรู้ขึ้นได้เองนี่เรียกว่ามีสติและ้ะแต่ถ้าจงใจจะรู้ไปเจ้องตลอดเวลาจะไม่มีอะไรให้ดูเลยมันจะว่างๆเพระ้การดูจิตดูใจเนะี่ยอย่าไปเจ้องอยู่ที่จิตนะอย่าไปเจ้องอยู่ที่จิตให้ตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบอารมณ์ไปก่อนแล้วเกิดความรู้สึกแปลกปลอมขึ้นในใจก็ค่อยรู้เอาค่อยรู้สึกเอาอย่าไปรอดูการดูจิตดูใจไม่เหมือนดูกายดูกายเราดูรงปัจจุบันได้เลย มันมีอยู่แล้วมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถึงเราเจ้องอยู่มันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในการดูจิตเนี่ยอย่จ้องจิตถ้าไปเจ้าจิตไปดักดูจิตไปรอดูจิตมันจะไม่มีอะไรเลยในการดูจิตนี่เปกรรมฐานที่เป็นธรรมชาติธรรมดาที่สุดเลยนะในการดํารงชีวิตธรรมดานี้นะขับรถอยู่คนป่านหน้าพุ๊จิตมันโกรธนะเรารู้ทันจิตที่โกรธที่เกิดขึ้นแต่ถ้าไปรอดูขับรถออกไป แต่เมืองนี้ไม่ค่อยดีขับรนมันไม่ค่อยมีใครปาดทำกรรมฐานยากรอบอยู่เมืองไทยกรรมฐ า, านง่ายมันปาดซ้ายทีปาดขวาทีอะไรนะไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรหาดูยากทีเดียมันเรียบๆเดินะผ่านไปนะเห็นดอกไม้สวย ใ, ใจมันชอบหรือว่าชอบ ลมหนาวมาลหนาวไม่มากสบายใจรู้สบายใจหนาวจัดไม่สบายใจรู้ไม่สบายใจน่คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองเรื่อยๆการที่เราคอยรู้ท e ันความรู sedan, ้สึกที่เกิดขึ้นในใจเราแล้วจะสูกเกิดขึ้นก็รู้ทุกเกิดขึ้นก็รู้กุศลเกิดขึ้นก็รู้โลภหลงเกิดขึ้นก็รู้เนี่ยต่อไปมันจะรู้โดยที่ไม่ต้องเจตนารู้ เกิดอะไรขึ้นนี้เดี๋ยวมันจะเปลี่ยนความซึ่งเปลี่ยนปั๊บเราจะรู้เองเนี่ยฝางนี้นะสติจะเร็วขึ้นเรื็วขึ้นสตินะันเป็นเรื่องสําคัญมากก็าเราหัดรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตเรื่อยๆเนี่ยศีล ส, สมาธิปัญญาและพิมุติมันจะเกิดขึ้นด้วยจิตยังไงถ้เาเกิดศีลถ้าเวลาคนทําผิดศีลเนี่ยเพราะว่ากิเลสครอบงำจิตจากความโลรธครอบงาจิตนั้นก็ไปด่าเขา้าไปตีเขาไปทําลายทรัพย์สินเขา ทำได้ทุกอย่างความโลภเกิดขึ้นคร่อบงาจิตเขาไปขโมยเขาเป็นชู้เขาอะไรเนี่ยไปเอาทรัพย์สินเขาหรือไปฆ่าเขาเพื่อจะเอาทรัพย์สินทําได้ผิดศีลเช่นนั้นหน้าที่ผิดศีลได้นะเพราะกิเลสครานําจิตได้ยังถ้าเราคอยรู้ทันจิตเรือะไรแปลกปลอมภาได้จิตรู้สึกอะไรแปลกปลองพราได้จิตรู้สึกนะเพราะกิเลสแปลกปลองเพราะอัดสู่จิตเนะี่ยเรารู้สึกทันทีที่รู้สึกในะกิเลสจะกระเด็นออกไปเลย ไม่ต้องทำอะไรเลยมันจะหนีเพองกิเลสเนี่ยมันร้ายจริงนะแต่มันขี้อห้ถ้าเราเห็นมันรู้ทันมันถ้ามันหนีเลยแต่มันมันดื้อนะถ้าเราไปต่อต้านมันเมื่อไหร่มันซักเราเล็กเลยงั้นเวลาสู้กิเลสนียอย่าไปต่อต้านมันตรงๆแค่รู้สึกเท่านั้นกิเลสเหมือนน้ำนะถ้าเราไปกั้นเขื่อนน้ําเกิดพลังต่อต้านรุนแรงเลยถ้าปล่อยให้มัไหลไปตามธรรมชาติก็ไม่รุนแรงกิเลสไหลไปตามธรรมชาติเราแค่รู้อยู่นะไม่ตามมันแต่ไม่รุนแรงหรอ งั เ, abandon, เราไอยรู้ทันถ้ากิเลส ไ, ไหลมาเรารู้ไหลมาเรารู้มันก็ไหลผ่านไปเรื่อยๆอย่างเงี้ใจจะเกิดเสืมขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วถ้าจิตขเราไหลออกนอกจิตเราไหลออกไปอย่ขนาดเนี้ยเดี๋ยวเขาวิ่งมาดูหลวงพ่อหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเขาวิ่งมาฟังเดี๋ยวเขวิ่งไปคิดสลับไปสลับมานะถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาเนี่ยสมาธิจะเกิดขึ้นงั้นเราหัดดูจิตนะถ้าเราเห็นกิเลสมาแล้ว เรารู้ทันนะเลยจะเกิดเสียขึ้นถ้าเราเห็นจิตเนี่ยฟุ้งซ่านออกไปไหลออกไปทางตาไหลไปทางหูไหลไปทางใจอนะไเนี่ยจะได้สมาธิได้ความตั้งมั่นขึ้นแล้วนะดูจิตให้เกิดปัญญาเราก็ค่อยรู้ลงไปทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากจิตกับทั้งกับทั้งตัวจิตเองเลยเกิดเราก็ดับไปนะตัวจิตเองเช่นเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิด เนี่ยรู้จิตผู้รู้อยู่ชั่วคราวก็หายจิตผู้คิดอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายนี่เรียกว่าเดินปัญญาอยู่จะเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นคามบังคับไม่ได้หรือความสุขความทุกข์เกิดขึ้นแต่จิตเรารู้ทันมันก็เห็นเลยความสุขความทุกข์อยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนเรียกว่าเดินปัญญาอยู่หรือเห็นว่ากุศลทั้งหลายนะศรัทธาวิริยะสติอะไรเงี้ยเกิดขึ้นแล้วก็หายไปบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธาใช่ไหม ศรัทธาของผู้ทุชนเป็นอย่างนั้นบางวันก็ศรัทธาบางวันก็ไม่ศรัทธาขึ้นกับผลประโยชน์เป็นสําคัญถ้าผู้เจ้าสอนอะไรขาดผลประโยชน์เราเราก็ไม่ศรัทธาวันนี้นะวันนี้ศรัทธาวันนี้ไม่ศรัทธาวันนี้มีความเพียรวันนี้ขี้เกียจวันเดียวกันวันทีก็มีหลายอยา่างใช่ไหมตั้งใจวนะันั้นตอนนี้มีศรัทธาแล้วจะมีความเพียรอยากอยากเดินจงกรมนะั้น ตั้งใจว่าจะเดินหนึ่งชั่วโมงเดินไปห้านาทีวิริยะหายแล้วนอนดีกว่านี่นี่ก็ไม่เจี๊ยงนะให้รู้ทางลงไปรู้ทางลงไปอากูศลรุนก็ไม่เที่ยนโลคหลุดหลงมาแล้วก็ดับเห็นทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปนี่เรื่องขอเราจเจริญปัญญาอยู่งั้การเจริญปัญญาด้วยการดูจีตดูใจเนี่ยเราดูได้สองอย่างอันหนึง่งดูความรู้สึกต่างๆที่เกิดร่วมกับจิตใจของเรา อันหนึ่งดูตัวจิตเองตัวจิตเองเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะเกิดดับไปด้วยการที่เห็นว่าทุกอย่างเถือระดับนั่นแหลเรียกว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเพราะั้นดูตัจิตนะดูทีแรกคอยรู้ทันเลยแต่ปลอมรู้ทันไปได้จะได้สติเขามีสติแล้วต่อไปถ้าเห็นกิเลสมาเรารู้ทันไนดะ้กิเลสผ่านไปเลยเราจะมีศีลขึ้นมา แล้วถ้าเรามีสติรู้ทานจิตที่ไหลที่คิดไหลไปดูไหลไปฟังเราจะได้สมาธิขึ้นจิตจะตั้งมันม่นขะึ้นมาเม่ก่อนที่หลวงพ่อมาันนี้นะสักสามสี่เดือนก่อนหลวงพ่อเจอคุณแม่จันดีคุณแม่จันดีเป็นนอ้องของหลวงตามหาบัวท่านภาวนาเก่งมากนะไปเยี่ยมท่านที่โรงพยาบาลทีอท่านชับพูดถึงหลวงพ่อให้โยงฟังโยงคนไหนไปด่าหลวงพ่อให้ท่านฟังแล้วท่านต่อสู้ เยอะโตแล้วรบนะใช่ก็เลยคนอะไรเริ่ม OK ja nah. ่ามหลวงพ่อไปเยอะนี <reasoning> ่ก hmm. ็ไปเยี่ยมท่านบ้างท่านกุตศลพูดถึงเราบ่อยๆไปเยี่ยมท่านก็ถามหลวงพ่อว่าท่านภาวนาแบบไหนทําไมจิตเหมือนกันจิตเหมือนกันแค่ะคุณแม่มาลงที่เดียวกันได้ยังไงหลวงพ่อบอกหลวงพ่อเริ่มจะรู้ลมหายใจนะถ้าแต่เด็กก็หายใจห้ยใจเข้าให้ยใจออกก็ได้ ใจเริ่มสงบเนี่ยลมมันจะตื้นตื้น ต, นตนอยู่ที่จมูกเนี่ยอยู่ตรงจมอยปากจมูกเนี่ยก็กลายเป็นแสงสวา่างพอเป็นแสงสวา่างแล้วเรามีสติอยู่ไม่เคลิมไปนะแล้วจิตเคลื่อนไปเรารู้ทันตั้งมั่นจิตเคลื่อนไปรู้ทันตั้งมั่นเนี่ได้สมาธิขึ้นมาถาจากนั้นมาเจริญปัญญาท่านบอกท่านั้นอันเดียวกันเราตามมหาบัวสอนให้ท่านพุโทโธ แลจิตตั้งไว้ที่นนะพุทโธโธจะจิตเครื่องไปเรารู้ทันจิตเคลื่อนไปเราดูทั น, ล น, รรทนหลักเดียวกันนึกออกไหแต่กรรมฐานเบื้องต้นนะคนละตัวกั น, น, น, นท่านจากพุโทโธหลวงพอจับการหายใจเสร็จแล้วมันมาลงที่เดียวกันจิตพิ้พ์มันสงบแนละ้วมันจะเกิดเป็นแสงสว่างขึ้นเป็นแสงสว่างแล้วจับอยู่ที่แสงสว่างแต่ไม่ได้ไหลเข้าไปในแสงสว่างนะถ้าไหลเข้าไปที่แสงสว่างเนี้ยจิตจะออกนอกที่วไปรู้ไปเห็นอะไรข้างนอกเรารู้สึกตัวมีสติอยู่ดำรงสติเฉพาะหน้าจิตไม่ไหลไป แต่ถ้าจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิตเคลื่อนไปรู้ทันจิต ไ, ได้สมัครที่ถ้าจะได้เจริญปัญญาท่านจเจริญปัญญาด้วยการดูกายหลวงพ aconte, ่อเจริญปัญญาด้วยการดูจิตน ะ, จะเจริญปัญญาคนละแบบกันนะแต่ถามสุดท้ายมันจะมาที่เดียวกันได้นะมมันจะมาลงที่เดียวกันได้อยู่ที่เราฝึกที่ฝึกแล้วแต่จรหิตนิสัยแล้วใครถ้าหลวงพ่อเนี่ยฝึกมาด้วยการดูจิต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 เงินอยที่เราทําให้พอนะหัดดูหัดดูอะไรแปลกพร้อมเพื่อไน ใ, นใจเพรู้ก็ได้สุติกิเลสมาเรารู้ทันเราจะมีศีลจิตสรงออกไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้ทันเราจะได้สมาถิแล้วเราเห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงในจิตใจของเรานะทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วทั้งตัวจิตที่เป็นผู้รู้ทั้จิตที่เป็นผู้คิดคเกิดแล้วประดับทั้งสิ้นนี่เราจะได้ปัญญาถ้าปัญญามากพอ จะเกิดมัง่งเกิดผลขึ้นมั่งผลนั้นไม่มีใครสั่งให้เกิดได้นะอย่าว่าแต่จะสั่งให้เกิดมั่งผลเลยสั่งให้จิตกโกรธยังไม่ได้เลยต้องทำเหตุให้จิตกโกรธจิตถึงจะโกรธได้อยูอยูโกรธไหมอ้าวโกรธโกรธเลยโกรธทุกคนโกรธแล้วโกรธไม่ได้ต้องกระทบ อ, อารมณ์ที่ไม่ดีก่อนต้องกต้องอารมณ์ไม่ถูกใจแล้วจึอองเกิดตื้นในอารมณ์ที่ไม่ถูกใจมันถึงจะโกรธ ไม่มีใครมากระทบเลยอยู่ๆก็ตรึกในอารมณ์ที่โกรธก็โกรธขึ้นมาได้ใครมีคนไปถามพระเจ้านะถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์มีกามาราคะไหมท่านตอบว่าดูก่อนท่านเราไม่มีการมาราคะเพราะเราไม่มีกามาวิรตกท่านไม่ได้แบบ ก, กูไม่มีการมาราคะเพราะกูเก่งกูเป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกท่านไม่ได้มีกรรมมรรตกท่านไม่ได้ตรึกในการม เหมือน่างโธสาจะเกิดได้ก็ต้องมีพยาบาลวิตกนะงั้นมันอยู่ที่เหตุทั้งหมดเลยนะ ถ, ลลนะถ้าเฝ้ารู้เฝ้ารู้นะจะเห็นนะทุกอย่างมีเหตุกับผลเหตุกับผลทั้งหมดไปนะไม่มีอะไรที่เราบังคับได้เพราะฉะนั้นมักฝนเนี่ยก็ไม่มีใครสั่งให้เกิดได้เขาเกิดของเขาเมื่อเหตุของมันพอเหตุของมักฝนก็คือศีลก็อัตโนมัติสติสมาธิปัญญานี่อัตโนมัติหมดเลยนะล้วเรามาฝึกอย่างตอนนี้เราฝึกนะบางทีก็มีสติ ทีก็มีสมาธิบางทีก็เดินปัญญาบางทีก็โง่ไปเลยนะแปลกวนถ้าเราฝึกกจนชำนาญ น, นะสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะเกิดขึ้นในขณนะจิตเดียวกันแล้วประชุมลงที่จิตโดวเดียวกันนะอริยามรรคจะเกิดเวลาที่อริยามรรคจะเกิดเนี่ยธรรมะฝ่ายกุศลเนะนี่ยจนวนมาก30สิบกว่าตัวนะจะเกิดร่วมกันในขณะเดียวกันที่จิตดวงเดียวกันนั้นเลย จิตเพราะฉะนั้นจิตที่จะทรงตัวนี้ได้นะต้องเป็นจิตที่ทรงสรมมาธิอย่างแท้จริงจิตที่ทรงฌานถึงฌานเนี่ยในขณะที่อริยมรรคเกิดเนี่ยถึงเราจะเข้าฌานไม่เป็นมา ก, ก่อนเราเห็นจิตเกิดดับแต่ในนาทีที่อริยมรรคเกิดนะั้นจิตจะเข้าฌานเข้าเองนะเข้าเองเลยอัตโนมัติเลยแต่เข้าไม่นานหรอกนะกระบวนการแห่งอริยมรรคเนี่ยสั้นนิดเดียวเร็วกว่าฟ้าแลบอีกที่ล้างกิเลสพอจิตรวมเข้าถึงจิตแล้วเนี่ย สติะระลึกอยู่ที่จิตโดยไม่ได้เจตนาจะระลึกจิตตั้งมั่นอยู่ที่จิตโดยไม่เจตนาจะตั้งมั่นคือไม่ไหลไปไหนโดยที่ไม่ได้บังคับเลยปัญญาเกิดขึ้นที่จิตโดยไม่ได้มีเจตนาจะพิจารณาอะไระเห็นว่าทุกอย่างเกิดระดับมันจะไว้ตัวขึ้นมาภายในเกิดระดับคือระดับสองขนาดสาขนาดกัทนทั้งหมดนี้เป็นอัตโนมัติอัตโนมัติต น, ตนี่จะเกิดได้เมื่อเราฝึกฝนได้มากพอ บางคนฝึกตั้งเจวันจนถึงจะได้อัตโนมัติตัวนี้บางคนเจเดือนบางคนเจปีนะฝึกงั้นฝึกไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งที่สติสมาธิปัญญาของเรามั็นอัตโนมัติแนละ้วมันเกิดประชุมพร้อมกันในขณะเดียวกันมันจะล้างกิเลสได้นะพังนะสติอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงสมาธิอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงปัญญาอย่างเดียวล้างกิเลสไม่ได้จริงต้องระดับมัตต์ถึงจะล้างกิเลสได้จริงแล้างแล้ว้างเลยไม่ไม่ต้องมาล้างอีกแล้ว อย่างเวลาเราโกรธขึ fight, ite, ้นมาเรารู waste, ้ว่าโกรธแล้วความโกรธหายไปอันนี้ล <alcohol> ้างด้วยสติโกรธขึ้นมาเราเจริญเมตตาความโกรธหายไปอันนี้ล้างด้วยสมาธิโกรธขึ้นมาเราเราก็ดูความโกรธก็ไม่ใช่จิตความโกรธกาไม่เที่ยงจิตที่โกรธก็ไม่เที่ยงจิตที่โกรธก็ไม่ใช่ตัวเราเลยหายโกรธทําไมหายโกรธลืมนึกถึงไอ้คนที่โกรธไม่มีพยาบาทวิตกความโกรธหาย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 มาที่พูดให้เจ้าสอนเนยเป็นธรรมะที่พอดีพอดีสําหรับคนธรรมดาธรรมดาไม่ใช่สําหรับซุปเปอร์แมนเลยสําหรับคนธรรมดาอย่างเรานี้ได้เลยแต่ละคนทั่วไปเขาไม่รู้หลักว่าจะต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงคือรู้ใจ ห, หลักของกายของใจรู้ได้จิตที่มีสมาธิพอให้จิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานะถ้าเรามีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลาง รู้ให้มากพอนะ้ถึงวันหนึ่งถ้าได้มรรคได้ผล น, นะเวลาจะเกิดอะไรยามรรคเขาก็เกิดของเขาเองเกิดอารยผล ก, ก็เกิดต่อจากอารยามรรคในชั้นฝันนั่นเลยไม่มีช่องว่างมาขัาดเลยแล้วจิตเราจะเปลี่ยนไปเดี๋ยเวลาเราได้โสดดาวปฏิมรรคสดดาวปฏิผลแล้วก็วจิตถอยออกมาจากฌานสมบัติที่เกิดมารคผลนะกลับมาอยู่ในโลกอย่างนี้ยจิตมันทวนกลับเข้าไปดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้นจะรู้เลยว่าตัวเราไม่มีอีกแล้ว ดูลงมาในกายแล้วก็กลวงๆนะไม่ใช่เราดูเพื่อที่จิตก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนกายมีอยู่จิตมีอยู่แต่ไม่มีตัวมีตนไม่ใช่คนไม่ใชสัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาเลยความเขารบแ น, บน่บแนบไงพระพทุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แนบแนบเต็มที่เลยเต็มร้อยเห็นความจริงที่ท่านสอนอย่างลึกซึ้งแล้วนะการที่จะประพฤติปฏิบัติธรรมแบบงมงายอะไรนี่ไม่มีหรอกรู้เลยว่ากาปรปฏิบัติจริงๆมีสองอันเอง ช่วงไหนฟุง้งซ่านทาความสงบให้จิตสงบให้จิตตั้งมัน่นพอจิตสงบจิตตั้งมัน่นแล้วดูความเป็นจริงของกายของใจคือเจริญปัญญามีแค่นี้เองเรืนะ่การเฝือศีลอย่างนเป็นเรื่องปกติต้องถืออยู่แล้วเนะนะนะนี่ยเราคําว่าฝึกอยู่แค่นี้ไม่ยากเลยทำนานถึงเวลาแล้วมันก็ได้ดอกผลขึ้นมาหลวงพ่อเทอีเ่ยวตะเวนเทศที่โน่นที่นี่ไปเลยนะหลวงพ่อความเปลี่ยนแปลงซึ่งน่าสุดจรนท์ เมื่อสักสามสิปีก่อนหลวงพ่อสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งสิบคนได้ทีแรกก็สองสามคนนะมันเพิ่มเพิ่มขึ้นตอนที่มีสองสามคนยนะไปหาครูบาอาจารย์ก็นนั่งขับรถยนไปรถเก่งไปมีสิบคนนะ ไ, ไหนก็เช่ารถตู้ไปนั่งรถตู้ไปหาแค่สิบคนที่รู้สึกตัวเข้าไปตามบัตรเนี่ยบางนะีครูบาอาจารย์หันมาดูเลยท่านอุทานว่าไปรวมกันมาได้เยอะขนาดนี้ ถ้าท่านมาเห็นถึงวันนี้ท่านคงตกใจมากกว่านั้นนับจํานวนในทั่วแล้วของคนที่รู้สึกตัวคนที่รู้สึกตัวหรือคนอย่างพวกเราเนี่ยจำนวนมากในห้องนี้รู้สึกตัวขึ้นะเข้าใจมันไรไไ้เรารู้สึกมันตื่นที่มันจะมีความรู้สึกตื่นนะถ้าใจานี้ก็คอยแยก่าตแยกขันไปเห็นกายกับจิตเป็นโคนละอันนะเห็นเวทนาคือความสุขทุกข์กับร่างกายกับจิตเป็นโคนล้านกัน เห็นสังฐานคือความปรุงแต่งเช่นโลกหลนลงกับจิตนั่นคนลันกันหัดดูไปได้แล้วได้เห็นว่ทุกอย่างเลยเกิดเราดบหมดเลยนี่เรียกว่าขั้นเจริญปัญญาแล้วถ้าเราทำได้นะต่อไปไม่นานคนก็จะได้เข้าใจธรรมะมากมายเพราะเราเขามีโอกาสเหมือนกันเพราะว่าพวกเราเราตื่นขึ้นมาแจิตที่ตื่น้จิตที่ทรสมาธิแล้ว ถ้า ส, สมาธิได้ก็เดินปัญญาเห็นกายกับจิตเป็นโคนละนกันเห็นโรคตกลงกับจิตเป็นคนละอนกันเห็นกุศลกับอกุศลกับจิตก็เป็นโคนละอกันฮั่นด้วยอย่างนี้แรื่ไปเห็นจิตเองเกาแปรรวนเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดเดี๋ยวก็วิ่งไปทางตาเดี๋ยวก็วิ่งไปทางหูเดี๋ยวก็ blue, วกิ่งไปทางใจจิตเองเ้าเกิดดับจิตเองเกาแปรรวน เฝ้าดูอย่างนี้ให้มากนะถึงจนถึงจิตมันปิ้งขึนมเลยมันยอมรับความจริสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ตับไปต่พระทัดเจ้านเนี่ยเราก็พาวนาขอเราไปเรยเราเฝ้าเที่ตัวเองนะเหมือนคนปลูกต้นไม้เที่ยวไปปลูกต้นไม้ที่น่นที่นี่หวานมาเมล็ดพันธุ์ลงไปตอนนี้มนเมล็พันงอกงามสวยงามมากเลยเต็มไปหมดแล้วนะมาที่นี่ยังนึกไม่ถึงว่ า, มาเมล็ดพันแห่งพุทธแห่งงอกงามได้ขนาด น, นี้ สัเงเกตหรือเปลว่าใจของเราขนาดนี้กับใจของเราแต่ก่อนเนี่ยไม่เหมือนกันไม่มออกไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าอัศจรรย์ถึงขนาดนี้นะถ้าได้ฟังธรรมแล้วนะจิตเราเปลี่ยนเปลี่ยนตอนหน้าตอนน่ตอตานี้เลยไม่ใช่เวลาเยอะหรอกอยู่ที่ว่าต้องตั้งใจเอานะค่อยๆเรียนรู้ไปตั้งใจไม่ใช่โลกค่อยๆเรียนรู้ไปนะถ้าโลกปูจะเราให้ได้ตั้งใจหมาถึงขยันทําเหตุนะจเจริญสติไปดูความจริงของกายของใจไป วันไหนดูจิตได้ดูจิตวันไหนดูจิตไม่ได้ดูกายวันไหนดูจิตก็ไม่ได้ดูกายก็ไม่ได้ก็ทําความสงบไว้ถ้าจิตมีแรงก็กลับมาดูจิต ด, ดูกายได้อีกฝึกไปได้เข้าการปฏิบัติจริงไม่มากอะไรไม่ยากเลยง่ายๆแต่ด้วยเหตุด้วยผลทุกทั้งหมดเลยสังเกตความเปลี่ยนของจิตของเราเี่ยสังเกตไหมมันนิง่งมันเริ่มนิ่งแล้วรู้สึกไหม ส่วนใหญ่นิ่งนงสังเกตต่อไปเดี๋ยวมจะเริ่มแข็งไน่ดูกอหลวงพ่อพูดอย่างนี้บางคนเคลื่อนออกแล้วใช่ไหมบางคนแข็งยิ่งกว่าเก่าอีกเนี่ยเฝ้าดูของจริงง่ายอย่ยตายไปยากอะไรเมื่อก่อนผลงพ่อไปถามหลวงปูดู่นะหลูงปู่ครับผมไปที่ไหนที่ไหนนะมีแต่ครูบาอาจารย์บอกให้พิจารรกากพุธโทพี่นกกากผมต้องไปพี่น ก, กาอีกไหม หลวงปู่ ม, มองหน้าคือถ้าถ้าเป็นงชราว่าถ้าอาจจะแถมเบิร์กระโหลกด้วยให้มองหน้าเขาพี่หรการเขาดูกายแนละ้วเพื่อให้เห็นจิตนะก็ถ้าเมื่อเห็นจิตเห็นแลนะ้วจะไปเอาอะไรกับกายอีกกายเป็นของทิ้งพูดอย่างนีนะ้แล้วพูดตรงกับหลวงปู่สุวัสดิ์พูดสุวัรด์เคยบอกเคยเล่านะว่าท่านไปหาหลวงปู่ั่านหลวงปู่ั่นสอนท่านดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทําความสงบไว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 บางทีเห็นบางคนพ อ, อนายากยากยากควาให้ถูกหลักถ้าถูกหลักทำไม่ยะกสองอันนะอันแรกให้ถูกวิธีการรู้อย่างที่มันเป็นอันที่สองทำให้มั่งพอรู้อย่างที่มันเป็นดูมันสามนาทีพอแล้ววันนี้มั่งน้อยเกินไปมั่งน้อยไดูไบ่อยบเหมือนเราทํากันบ้านที่ทํากันบ้านมากทําโจทย์มากนะ เราก็ยิ่งแตแกฉานการปฏิบัติเหมือนกันเราดูมากนะเราก็ยิ่งเข้าใจเร็วนานๆดูทีก็ไม่เข้าใจพอไหวไหมสังเกตนะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของใจเลยไม่บังคับบังคับนิ่เครียดไปให้คอยรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของใจไม่นานก็จะเห็นแล้วว่าพระพุทธเจ้ามีจริงๆนะพระธรรมมีจริงๆพระสงฆ์มีจริงๆ ตอสู้ไหมนะสู้เนะสู้กิเลสเราสู้ใครเราถ้าประโยคนี้ไปถามในกรุงเทพเราก็สู้ไหมสู้เลยนะสู้กิเลส น, นะ่สู้ใครนะพอถึงควรใครมียอะไรจะคุยเชิญ ทีมที่จะมาถามเยอะพวก น, น, นี้นะช่วยย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ไหมคอหลุงพ่อเป็นอนัตตา <c oughs> ถ้าหานไปแล้วมันไม่หัน <c oughs> ใหม่หรมาตีละห้าคนสิบคนก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องนั่งกลมลงมานันั่งตรงนี้ก็ได้ <c oughs> ไม่ต้องห่วงกลม <c oughs> นไม่เท่าเชิญไหนลนะ่ะไม่เท่าคนไหนไม่เท่าเท่าไหร่เลยผมไม่เห็นแม้ว่ามีความสุขแต่หลงลจิตที่มีความสุขแต่ประกอบด้วยความหลงนั่นเลยแล้เป็นจิตที่มีโลภเป็นจิตที่มีราคะ จิตที่มีความสุขเนี่ยเกิดความสุขเนี่ยเกิดร่วมกับจิตได้2อชนิชดจิตที่เป็นกุศลก็ได้จิตที่เป็นอาคุศลก็ได้เวลาความสุขเกิดจะเกิดร่วมกับจิตที่มีโลภะก็ได้จิตที่เป็นบุญเป็นกุศลก็ได้ สราังมันนะเราเอาปัจจุบันได้ไว้ถ้ายิ่งเราฝึกในปัจจุบันได้มากเนี่ยนะชีวิตที่เหลือเลยมันก็ยิ่งดีขึ้นเลยอย่างบางคนนะฝึกๆนะหันดูจิต ด, ดูใจสมาธิก็ดีขึ้นนะสีน์ก็ดีขึ้นปัญญาก็ดีขึ้นเวลาเกิดอุบัติเหตุเอ็กซ์ซิเดนต์รถความรถหงา ย, ยจิตมันเป็นคนดูเลยนะอัตโนมัติขึ้นมาเลยเวลาเจ็บป่วยนะจิตมันเป็นคนดูขึ้นมาเลยอยู่ที่เราฝึก อย่ากระวนนะให้ทําก็แล้วกันใช้ได้ต้องปฏิบัติแล้วใช้ได้นะไม่ปฏิบัติใช้ไม่ได้เห็นกิเลสบ่อยไหมน่าจะเก่งถ้าเราบอกว่าถาแล้ววเห็นกิเลสบ้างไหมดิฉันไม่มีกิเลสหรอกแล้วทนไม่เป็นดูไม่เป็นกิเลสเกิดเยอะแยะเลยวันว ใส่เข็มให้กิเลสเกิดแล้วมันก็ผลักดันจิตใจให้เล่าร้อนเนาะเราก็รู้ทันไปรู้ทันไม่ใช่เพื่อเราชนะรอบรู้ทันก็ให้เห็นว่ากิเลสือชั่วคราวจิตก็ชั่วคราวอะไรๆก็ชั่วคราวรไปถ้าอยอมรับได้ว่าตัวอย่างชั่วคร้าวนะั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ไม่ยากแล้วพร้อมนะต้องเห็นดีเสีอ่ะต่อไป ผู้ชายส่งกันบ้านที่หลังพวกส่งกตรบ้านเป็คนสุดท้ายเ น, นะป็นคนที่เครียดนานที่สุดชั้นหญลุ้นเหนื่อย อยู่กับเน้อตัวนะใจไม่ลอยออกไปข้างนอกใจท่อตั้งมันเราหายใจใหายใจแล้วรู้สึกตัวตว่าแม่มันตื่นเต้นแล้วใจมันวิ่งมาตะครุหลวงพ่อไอ้เนี่ยรู้สึกอยากับเพราม่รัาตัวเองนะนสมาธิมันไม่พอคือถ้าจิตเคลื่อนออกไปเนี่ยแสดงว่าสมาธิไม่พอแต่ถ้าไม่เคลื่อนเลยแต่แน่นๆอยู่เนี่ยสมาธิมากไปตื่นไป ครุข ก, กับกับหมูคณะจะเป็นการที่ว่าที่ว่าเก็บตัวใช่ไหมจะจะ อ, ออกไปเป็นกลุ่มออกมาทั้งนกบ้านะเก็บตัวมากไม่ดีพระเจ้าสอนไม่ให้ครุครีแต่ไม่ได้สอนให้หนีโลกนะไม่ไ ม, ไม่ไม่ใช่เป็นการหนีโลกเราไม่ชอบครุขีออกมากระทบเสียนะเป็นคราวๆไม่ใช่กระทบทั้งวันนะออกมาบ้าง ถ้าพอออกมากระทบแล้วเราเห็นในใจเราไม่มีความสุขให้เรารู้ทานใจที่มันไม่มีความสุขคุณพ่อคุณแม่ที่ลูกเดนำาคุณพ่อคุณแม่มาช่วยที่อู่ไหนล่ะไหนคุณพ่อคุณแม่อยู่ไหน อยู่ได้กันไปสอนเรื่องกันกันภาวาไม่ยากเลยหรอกใครรู้ทุกท่านใจของเราไปอย่างเราหวงลูกสาวเรารู้ว่าหวงนะใจเรามีความสุขรู้ว่ามีความสุขลุ่มใจรู้ว่ารุ่มใจดูไปจะเห็นเลยว่าแต่ละวันนะแต่ละเวลาเนี่ยใจเราเปลี่ยนตลอดอย่าให้มันนิ่งก็แล้วกันภามาไม่ใช่เรื่องยากอะไร อย่าให้จิตติดนิ่งติดเฉยนะกลัวหลงพ่อว่ามักดไป ใช่มันไม่ใช่ตัวเราแต่ว่ามันมันเหนียวเปเนความเหนียวว่ามันไม่ยอมเราอันนี้เจริญเจริญเขาดูดซ้ำๆไปเนาะดูไปเลยคือในความเป็นจริงก็มันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วแต่ว่าเราเข้าไปฝูกพันยึดถือไปสาคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราเข้าไปบ่วงแหนเข้ารู้ของจริงไปเลยวันหนึ่งจิตมันทนความจริงไม่ได้แล้วอันนี้อันนี้ปฏิบัต ใช่ค่ะรู้เปล่าว่าจิตเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนนี้ต่างกันเจ้งค่ะ น, นั่นใจมันโปร่งโล่งขึ้นมาแจ้งค่ะถ้าใจไม่ค่อยตื่นแล้วครับถัดจากนี้ก็แยกกายแยกใจไปได้วยกายที่เดินใจเป็นคนดูฝึกแยกไป ค, ความสุขความทุกข์ก็ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจผุ้สอนก็ผู้สไม่ใช่กายไม่ใช่ใจแ จ, จ้งค่ะดูไปได้วยเห็นแต่ละค่าแต่ละขันทางานไปแจ้งใช้ได้นะเจ้งค่ะ ยงขอโอกาสอีกโอกาสหนึงคือยงคนจะดูจิตตรงๆมากกว่าหรือว่าจะให้ดูกายมากกว่าเจ้าค่ะดูจิตได้ก็ดูไปนะจ๊ะถ้าดูวนไหนดูจิตไม่ออกก็ดูกายออกจ๊ะที่ดูกายก็เพื่อจะให้เห็นจิตดูจิตได้ก็ดูไปแต่บางคนไปดูจิตแล้วไปไปกลายเป็นเพ่งจิตนะจิตนิ่งๆถื่อๆอยู่อย่างเงี้ยต้องมาดูกายไปดีกว่าเขางคุณดูจิตได้เพราะว่าเห็นไม่ได้ไปเพ่งจ๊ะจ้าขอบคุณทุกค่ะ คนไหนก็เอาไม่ต้องเถียงกนะันน้ำมศกาศของพ่ อ, อลูกก็ได้ฟังซีดีของหัวข้อมาแต่ว่าส่วนใหญ่เราเปิดไม่ค่อยได้นะเลยฟังซ้ําไปซ้ำมาแต่ว่าทุกครั้งที่ได้ฟังเก็จะเก็บข้อมูลและก็เรยรู้มากขึ้นจริงๆมีมนนคําถามหนึงค่ะที่อยากจะถามก็คือว่าบางทีเนี่ยเวลา เราเข้าดูจิตใช่ไหมคะจะมีความรู้สึกว่าจิตเรามันจะเข้าไปคิดถึงบางทีเรื่องไม่ดีที่เราไม่เคยคิดจริงๆก็เข้ามาตลอดแล้วก็รู้นะคะว่าเราคงไปทํามันไม่ได้แต่ว่าก็อยากจะรู้ว่าค่ะว่าจะทํำยังไงที่เราจะไม่ไปเฝ้าคิดเฝ้ามั น, นะคะ่ะเพรารู้สึกอ่าไม่ได้จิตเปนน็นอนัตตานะถ้าสั่งได้แล้วก็อย่าไปสั่งแค่นั้นอย่าไปคิดเรื่องไม่ดีอย่าสั่งแค่แ น, นั้นจบวรู้มรรคผลที่ผ่านเดี๋ยวนี้สั่งเลย สั่งไม่ได้อะเมื่อมันสั่งไม่ได้นะดูของจริงไปเรืยเขาไม่ใช่ตัวเราเราบังคับเขาไม่ได้แล้วการปฏิบัติเนียมันไม่ได้มุ่งเอาดีเอาสุขเอาสงบแต่มุ่งให้เห็นความจริงว่าทุกอย่างไม่อยู่ในอำนาจบางังคับทุกอย่างไม่เที่ยงแต่มันก็จะเป็นอย่างนี้ไปตลอดไม่ตลอดหรอกแต่ไปมันก็เลิกคืออนุสัยคือเราสะสมกิเลสในจิตใต้สํานึกเราเยอะ สะสมอนุใสเอาเยอะถึงเวลาก็ทํางานขึ้นมาเราจะห้ามันไม่ได้ให้มีสติรูเ้เรื่อยอนุใสก็จะค่อยๆหวานขึ น, น, นอนุสัยเป็นความเคยชินฝ่ายชั่วนี่เราถ้าเราคอยมีสติด้วยในที่สุดจิตมันก็เคยชินฝ่ายดีขึ้นมาเคยชินฝ่ายชั่วค่ก็สลายไปหลวงพ่อสังเกต น, นะว่าคนบางคนนะ เรียบร้อยมากเลยอยู่ข้างนอกนะัสังคมบอกเรียบร้อยมากในใจนะั้นคิดเรื่องร้ายๆตลอดเลยนะที่ร้ายห้ามมันไม่ได้แล้วถ้าไม่ยอมรับนะรุ่งใจมากเครียดทําไมฉันเร็วอย่างนี้รับไม่ได้นะทีจริงรับไม่ไดนะ้นั่นคือความจริงแต่ไม่ใช่เราจะเร็วได้ตลอดครังถ้าเรามีสติอยู่ด้วยนะอนุสัยที่มันสะสมอยู่ความเคยชินไฝช่วยก็ค่อยๆลดลง ถ้าเราไม่มีสติพ อ, อนักใส่ปรุงเป็นกิเลสอยากแล้วเราทําตามกิเลสเราจะยิ่งสะสมนักใสัยมากขึ้นที่ที่มันเกิดเนียจะเป็นแบบคิดไม่เฉยแต่ว่าไม่เคยไปทำอะไรไมเคยแต่นั่นก็เป็นมโนกรรมะใจไม่เคยชินก็นยังไม่ผิดศีลแต่เป็นแค่มนโนกรรมอย่างั้นก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะหลวงพ่อเป็นมโนกรรมก็ไม่ผินะแต่ว่าก็ยังดีเพราะไม่ผิดศีล ก็ให้มีสติไปก็ไม่เป็นไรเลยไม่ต้องไปทํำไรไม่ต้องมีสติแตนะ่เราไม่ได้ทำแค่เรู้แล้วว่ามันคิดไปอย่างานั้นแต่เราไม่ทําอะไรเราก็อยู่ในสิ่งหา้าก็ถือว่าโอเคในระดับที่ก็เราทำเราเราก็โอเคในระดับหกคนมีสิ่งห้าก็ดีปในลําดับไปนะดนะีให้ฝึก หลวงพ่อคะจากเมื่อวานหนูต้องการคอนเฟิร์มจากหลวงพ่อคะว่าที่ปกติหนูจะถนัดดูจิตมากกว่าที่หนูเห็นหัวใจเต้นเนี่ยหนูดูถู ก, ถกเห็นถูกแล้วหรือเปล่าหัวใจเต้นมันไม่ใช่ดูจิตนะไม่ใช่ปกติหนูจ ะ, จ ะ, จ, ะจะเห็นความรู้สึกมากกว่าแต่เมื่ที่ที่เมื่อวานหนูถาม ว, ว่าที่หนูเห็นหัวใจันเต้นนี่คือหเห็นกา ย, ยาคือนี่คื อ, คอบางครั้งความรู้สึกทางใจเด่นเราก็รู้ไปบางครัความรู้สึกทางกายเด่นเราก็รู้ไปเห็นถูกแล้วใช่ไหมคะไม่ได้เพงใช่ไหมคะ ปกติจิตเป็นตอนนี้ไหมตอนนี้หนูไม่เห็นจิตเลยอ่ะเห็นแต่รู้สึกแต่เ น, นี้ยหนูเลยไม่รู้ว่าเห็นไม่ได้เพามันเพ่งอยู่อย่างนี้คือเพงใช่เพระนั้ตอนนี้ไม่มีทางเลือกหรอกอย่างไรก็ต้องดูกายพนะ็ดูจิตไม่ได้เอ็มพ่อจะทำหน้าให้ดูนะเทียบเงินตามไม่ไปดูจิตได้ไงอ่ะนิ่งไปหมดใช่ไหมเพรพอมาดูกายถ็น อย่างนี้ก็ตีกีก่ก็ยังแรงไป แ, แค่รู้สึกสบายสบายแล้วสุดท้ายที่หนูปฏิบัติมามันถูกทางบ้างหรือเปล่าคะถูกสิถ้าไม่ปฏิบัติยิง่งตีกว่า น, นี้อีก <c oughs> ตอนนี้ดีกว่าตะกี้แล้วเนื้อออกป่าเพราะอะไรเพราะว่าเราส่งใหม่ไปแล้ว <c oughs> ใจเราก็คลายออกใจคลายออกเราก็ารู้ทันอย่าไปรวบเข้ามาอีก เรื่อไปเก็บเข้ามาอีกเลยเนคล้ายๆจะไปโชคกวหลวงพ่อนะจปล่อยออกไปนะปล่อยให้มันคลายออกคลายออกรู้สึกอหอกรอสงสารฝลั่งเรั่วดแล้วไม่รู้เรืร่องกล่าววิธการหลวงพ่อเจ้าค่ะฝึกปฏิบัติแนวทางของพ่อมาสองปีเชค่ะแล้วก็เห็นกิเลสมากมายโดยเฉพาะขณะที่พี่คิดเนี่ยจะเห็นว่ามีแรงบีบเท็งอยู่แต่ว่าโดย โดยที่เราอยากให้ใครก็ทําทอะไรให้สั่งลูกให้ทําก็จะเห็นว่าแลรงบิดแค่นั้นมันมากจนทําให้เรารู้สึกว่าจะปวดหัวแล้วรู้สึกว่าตัวเองติดเพ่งจะขาดแล้ากไปรู้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราไปรู้คือเวลาเรามีความคิดความเห็นอะไรเงี้ยถ้าเรายึดในความคิดความเห็นของเรามางนั่นนยิ่งเครียดนะให้รู้ทันว่าเราไปยึดในความเห็นของเราแล้วใจจะคลายออกสบายอีกประการหนึ่งอ่ะ โยมจะสวดมนต์ น, น, นั่งสมาธิตามรูปแบบแล้วก็อยากให้หลวงพ่อแนว่ว่าในขณะที่โยมทำอนาปานสติเนี่ยจะทำถูกทางไหมเจ้าค่ะทำที่เรานอกกเลยไม่ใช่ว่านิว่าพวกนี้ เวลาทำอ า, านาปานสตินะอย่าเริ่มต้นด้วยการไปบีบจิตเข้ามานะทำใจให้สบายกันยิ้มก่อนยิ้มก่อน อ, อ้าตัวนี้เคล็ดลับสงคัญ น, นะสังเกตไหมพระพุทธรูปยิ้มหมดทั่วเลยมีไม่พระหน้านะ <c oughs> ใครก็ฝันให้ยิ้มนะใจอย่ผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกตัวไม่เห็นร่างกายหาย ใ, ใจจิตไหลไปคิดเราก็รู้ว่าจิตไหลไปคิด จิตเที่ยวไหลออกไปนะแล้วรรล ก, ล ก, ล ก, ลก็รู้ทันอะไรต่ออะไรไอ้เขียนไว้มันติดซึมออกมานิดนึงตอเนี้พอจิตไหลไปแล้วมันเคลิมเคลื้มออกไปนะเคลื่ อ, อนออกไปเคลื่อนออกไปพอถอยออกมาเนี่ยติดออกมาหน่อยๆพยายามรู้สึกตัวไว้นะการทำอนาปนาัฏสติหมายถึงว่ามีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกการทำอานาปัฏสติไม่ได้แปลว่าให้นอกจิตเข้าไปซึมๆอยู่กับลมหายใจ ใ ห, ให้เรามีสติหายใจเข้ารู้สึกตัวหายใจออกรู้สึกตัวหายใจเลื้อยลงไปรู้หายใจตื้นๆรู้ลมหยาบลมละเอียดก็รู้รู้ไปสบายๆพอจิตมีความสุขกับการหายใจแล้วเนี่ยจิตจะไม่วิ่งพล่านไปเที่ยวหาอารมณ์อย่างอื่นจิตก็จะสงบอยู่กับลมหายใจใเคล็ดลับของการทําอนาคอนดสติหรือทําสมถะอะไรก็ตามเนี่ยอยที่ความสุข ความสุขนึงเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิขอบคุณเจ้า ก, า ก, การรมธรรมสถานพ่ะเจ้าค่ะก็<ด>ฟังซีดีของหลวงพ่อมาได้เดี๋ยวนัง ไ, ไม่ได้ข้อสรุปยังไม่เข้าใจคือธรรม า, ารนุปัฏฐิตินะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะหายใจสบายๆไม่ได้เปน้อมจิตให้สงบไม่เท่าไร่จิตจะสงบของเขาเอง ถ้าเราไปน้อมจิตให้สงบเนะี่ยจิตจะเบลอบเคลิ้มเริ่ ม, มไปหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวยังมีความสุขจะสงบรวดเร็วเลยเคล็ดลับบนี้เดี๋ยวหลวงพ่อขอจะได้เคล็ดีฝึกนานนะเล่นานานตลอดสติที่สิบสองปีกลับมาพิธ ก, การหลวงพ่อเจ้าค่ะ<ม>ก็ฟังสียีของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งตอนนี้ก็ รู้ตัวบ้างแต่ว่าที่ทํางานนี่จะเป็นแบบว่าจะโดนลูกค้าด่ายเยอะหรือก็ออมีโทรวงสะแรงๆก็จะดูอาการไปมันก็หล่ไปก็ดีใจแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ดูไม่ได้รู้อะค่ะว่าตัวเองดีใจแล้วมันก็จะกลับมาอีกมันก็ไม่แรงเท่าเดิมแต่ว่าจะหาทางกําจัดมันค่ะกําจัดอะไรกําจัดความโกรธนะั้นที่มันคิ ด, ดคะนะคะความโกรนนี่น ะ, ะจัดอยู่ในสังขารขัน ทั้คารขันเนี่ยเป็นตัววิบากนะเยอะเลยหนะน้าที่เราไม่ทำอะไรเราหน้าที่เรารู้อย่างที่มันมีอรู้อย่างที่มันเป็นอยู่หน้าที่ต่อขันห้าจะอยู่ในกองทุกข์หนะน้าที่ต่อขันห้านะ่ะพิจารรู้ละเดียวตัวอย่าง น, า น, านราเรารู้ความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธไม่ใช่ลาก ล่าไปล่าความอยากให้หายโกรธ ล, ลาความอยากาส่วนความโกรธนะให้รู้ว่าจิตกำลังโกรธอยู่แล้วแลนั่งสมาธิก็จะก็จะฟุ้งแล้วก็คิดมากย <c oughs> อย่างนี้ต้องไปเดินจงกรมนะเดินจงกรมก็ฟุ้งและคิดมากเหมือนเดิม <c oughs> ง้นอะไรอย่ไปบังคับจิตนั่งสมาธิจิตฟุ้งซ่านรว่าฟุ้งซ่านจิตนี้ไปคิดรู้ว่าจิตนีไปคิดแต่ ว, ว่าก็นะ นั่งยางมีความสุขนั่งรู้สึกตัวเป็นสบายๆนั่งแล้วรู้สึกตัวรู้สึกอะไรเงี้ยรู้สึกไปเรื่อยครับครเขาบอกว่าให้ดูร่างกายเหมือนดูคนอื่นแต่ว่าไม่เคยคิดเลยเขาว่าเป็นคนอื่นนะคะไม่มันจะเป็นเราอยู่ให้ดูถึงเวลามันรู้สึกเองนะอย่างบางคนแปลงฟันอยู่เนี่ยเห็นมือไม่ใช่เรานะเห็นร่างกายขาดเป็นท่อนๆไม่ใช่เราจนะาเป็นเอง อีกข้อหนึ่งนิดนึ่งนะคะหลวงพ่อคือว่าทำงานที่ทํางานเป็นงานในบ่อนี้ค่ะมันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมทำงานยี่สิบสี่ชั่วโมงเหรอแต่เวลาออกนอกก่อน้องก็เฝานานไปอยู่ในบ่อนแล้วก็เฝนานเฝานานถือว่าเราทำหน้าที่ทํางานนะมันไม่มีโอกาสไม่มีทางเลือกทําะไรก่อนอะไรเงี้ย เราก็ไม่ได้ไปโกงใครเราอย่าไปคิดว่าเราทำงานบอนสดสมมว่าเรามีหน้าที่จากสถานที่อะไรเงี้ยแต่ว่าคิดว่าเราทำงานจากสถานที่เดีย๋ยวไปคิดว่าเราทำงานงบอดเลยเราก็ซอยออกมาให้ถูกหน้าที่ที่เขาจ้างเราไปทำอะไรโมซ ก, การ์พ่อคะจะส่งสภาวะไม่แน่ใจว่าที่เห็น ใช่รืเปล่าคือสองอาทิตย์ที่แล้วก็อยูด่ดีจิตเขาก็ไปเห็นเหมือนกับว่าเ อ, อความคิดที่อยากภาวนากับความคิดที่อยากไปดูหนังฟังเพลงค่าเท่ากัน ม, มันมีความอยากคือจิตมันมีความอยากถูกถูกต้องแล้วอวันต่อมาก็เห็นอีกอเขาก็เหมือนกับเห็นว่าจิต ดีกับไม่ดีก็ค่าเท่ากันอืเกิดแล้วก็ตัอแล้ว้ก็เห็นอีกก็เห็นอีกเหมือนวันหนึ่งคือเดินเดินอยู่ไม่ได้ตั้งใจค่ะเขาก็เหมือนตังมันขึ้นมาแล้วก็หันมาดูตัวเองอืแล้วเหมือนก็กลวงไปหมดเลยอะไรนะกลวงค่ะเหมือนกับไม่มีอะไรแล้วเขบอกว่าไม่มีตัวตนไม่มีอะไรแต่คือไม่แน่ใจเอ้ยเราฝักหรือเปล่าแค่ขันหรอ เวลาจิตตั้งมันขึ้นมาจริงๆนะไม่ไปหลงอยู่ในความคนะิดนะดูตายก็ูกลัวๆดูจิตก็โกลงๆไม่มีตัวเราตรงไหนหรอกนะแต่ว่าอันนี้มันล้างด้วยสมาธิอยู่ตนะ<ะ>เองรอให้มันล้างด้วยมรรคจริงๆค่ะก็ทำไปเรื่อยๆใช่ไหมคะแล้วหลวงพ่อมีอะไรแนะนำนะคะคือ <C ue> สุขทุกข์ดีชั่วเนี่ยเสมอกันเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เราบังคับไม่ได้เกิดแล้วดับเหมือนกัน แต่ค่าของมันไม่เหมือนกันนะเฉะนั้นอย่างจิตเราเห็นเลยอยากอยากฟังเทศอยากไปดูหนังฟังเทลงเขาอยากด้วยกันเรารู้ทันจิตที่อยากนะี่ความอยากดับคราวนี้ก็จะเหลือเหตุผลแลนะเหตุผลสมควรจะไปปฏิบัติธรรมก็ปฏิบัติสมควรจะทําอะไรก็ทําอย่างบางคนแยกไม่ออกอย่างกินยินข้าวยข้าวไม่ใช่กิเลสนะแต่ตะกละนี่กิเลส ถ้าจิตมิความอยากกินเกิดขึ้นรู้ทันความอยากดับไปอันนี้เหลือเหตุผลแล้วสงควรจะกินก็กินใชหรือเวลาขี้เกียจขึ้นมาง่วงนอนอะไเนี้ยรู้ลงไปความขี้เกียจหายไปเหลือเหตุผลแล้วสมควรจะนอนก็นอนเพราะฉะนั้นเราจะดำเนิชีวิตด้วยการใช้เหตุผลไม่ใช่ว่าตัว อ, อย่างเท่ากันแล้วทําอะไรก็ได้นั่นจะเป็นหลักที่ที่เป็นมิจฉาทิฐิออกไปเพราะว่าการทําดีกับการทําชั่วนั้นให้ผลต่างกัน คำชั่วแล้วตนเองเดินดร้อนผูดอื่นเดือดร้อนแล้วคือขออีกคําถามนี้คือก็จิตออกนอกบ่อยแต่ว่าถ้าพูดโทรหรือว่าดูลมหายใจก็ไม่ค่อยได้อาจจะเพีย้ยก็ใช้จิตเป็นวิหารธรรมแต่รู้สึกว่าเหมือนกับมันก็หลงนานะ น, น้องนันมันต้องหาเชื่องอยู่นะหาเคื่องช่วยอย่างอาศัยการเคลื่อนไหวร่างกายบางนนคนยกคลื่อนนิดเดียวแค่เนี้ย แล้วก็รู้สึกแต่ว่าบางทีเครื่องนานๆนะหนีไปตั้งนานแล้วมือก็ยังขยับอยู่ไอ้อย่างนี้ไม่ดีก็พยายามเพิ่มความรู้สึกให้แรงขึ้นนีดหายใจไปหายใจสบายๆเห็นร่างกายหายใจแต่ผักใจชักครื่งเพิ่มชักทีนีก็เปลี่ยนจังหวะหายใจแรงขึ้นไหนกระตุ้นความรู้สึกตัวขึ้มาแล้วหายใจใหม่อย่างไรก็ได้ถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่แล้วมัจะหนีนานหลงยาวที่ฝึกอยู่ใชื่ได้นะครับ สมีธิยังไม่ไรงพอการที่ได้มาเจอพระอาจารย์แล้วก็เหมือนกันครั้งแรกที่เจอคุมีความมิติมากเพราะนเราเท่าเทียมกันมีความมิติมากตั้งแต่ว่าเมื่อานจากที่ไม่เคยดูจิตเลยเพราะว่าปฏิบัติทางสมถะสมาไปทุกแบบหมอพี่นะจะได้เป็นแบบนั้นแล้วตอนนี้เมื่อวานนี้ก็มานั่งถามดูจิตนะคะ ที่พระอาจารย์นำต่อก็มีความรู้สึกว่าปิติเราทำได้ง่าย ม, มีความเมบิดบานแจ่ใสดีใจค่ะตอนนี้การปฏิบัตินี่นะคะก็จะติดอยู่กับคิดว่าทุงจะเป็นสมถะเพราะพอเวลานั่งตามรูปแบบพอถึงจเจริญพอเข้าพอเข้าพอเข้าพเข้าสมาธินะอาจารย์ก็จะดูจิตเลยเพราะไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่ตายจะรู้ยเดียว อ, อย่างนัก็ได้นะ เวลานั่าสมาธิโลกธาตุหายไปแล้วที่จิตแต่เห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจิตเป็นคนดูอยู่ข้างในอันนั้นเรียกได้ว่าเดิปัญญาอยู่ในสมาธิใช้ได้นะใช้ได้ใช่ไหมได้หลงพ่อก็ทก่อนมีความรู้อย่างเดียวึ้นลงผ่านเขเหมือนลมออกลมข้างอันน้เรารู้สึกไปนะว่าไม่มีเราที่ไหนอต่นี้พอทาได้ถึงอย่างนี้ปุ๊บครั้งแรกเลยคือจิตเราดูจิตจิตเราจะฟุ้งมากเลยกลับเข้ามา พอตัวจิตปุ๊บจิตฟุ้งกลับขึ้นมาพอเรารู้ว่าเราไม่มีอะไรแล้วจิตว่ า, แบบ า, ยยางาาแล้วจะถึงระดักหนึ่งที่ว่าจะใสพอใสหมดแล้วตรนนี้จะมีความรู้สึกว่าอเราจะติดสบายไปแล้วนะฮะเหมือนมีความปิติเราทำไมอิม่มเราทไมมีความสุขเราติดไม่เป็นไรมีปีติรู้ว่ามีปีติอิมอ่มหัอิมใจด้ว่าอิมอ่มอิใจถ้ายินดีพอใจในความสว่างความว่างความสุขเนี่ยให้รู้ทันว่ายินดีพอใจอ ถ้ายินดีพอใจเรู้ทันแล้วน่ยจะไม่ติดจากนี้ยินดีเจริญปัญญาจิตเนียคุณว่าจะนิ่งเกิดไปไม่ถ้าเข้าไปเราเป็นนิ่งอยู่เฉยๆเนี่ยเป็นพักอยู่เฉยๆนี่เป็นสมถะแต่ถ้าเห็นสว่างสบายแล้วจิตเรายินดีรู้ทันเราเห็นความรู้ทันเกิดระดับอยู่นี่เจริญปัญญาอยู่ปัญญาเนี่ยจะไม่ดูออกนอกไอ้แสงสว่างแล้วออกนอกไหมไม่ออกออเก็บไ้จิตไหลไปดูออกว่าจะป จะไปออกจะไปมองหาเพื่อนแม่กสสระทั่งแสงสว่างในสมาธิเนี่ยน ะ, ะถ้าจิตเราเคลื่อนเข้าไปดูที่แสงสวา่าง<ม>นั้นออกนอกเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ออกนอกนั้นแสงก็ส่วนแสงจิตก็ส่วจิตแล้วจิตยินดีในแสงรวยยินดีไม่ติดหรอกเนี่ยแต่บางปิติดอยู่น่ะติไม่เป็นไรติไม่ใช่อา ญ, ญา ก, กรรม อิ่มสบายไม่เป็นไรแต่ถ้ายินดีพอใจในความอิ่มสบายแล้วไม่รู้อันนี้ถึงจะเป็นเพราะฉะถ้ายินดีเรารู้ทันว่ายินดีจะไม่ติดพระรหั์มีปีติได้ไหมมีความสุขได้ไหมมีมีเยอะดไม่เห็นจะติดเลยเพราะไม่มีราคะไม่มีตัณหาเพราะถ้าตัณหาแทรกนะติดจิตมีตัณหาแล้วสร้างภพ ตันหาเป็นพวกสร้างภพเห็นไหมงั้นมีสว่างสบายมีความสุขมีปีติขึ้นมมีตันหามีความชอบยินดีพอใจนะรักใคร่ผูกพันนี่แหละเป็นภพอันนี้ข้องนะคะอาจารย์นะตอนนี้ก็ลงลงกลับมาเพราะว่าอยู่อย่างนั้นตาเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ได้เลยเลยก็กลับมาดูลกกายเพราะกลับมาดููกายรู้สึกหนักรู้สึกได้ทําไมเห็นโมล้วกระดูกนี่ก็ไม่ใช่ตัวเรก็หนักอีกหนักในความรสุกว่า ปั่นแล้วนะเราในความนดูเปสมีแต่ทุกข์นะค่ะสังขารเนี่ยทุกข์ได้ดูอีกดูอีกใช่มเออดูไปให้เห็นให้แใจมันแจ่มแจ้งเลยว่ามันเป็นทุกข์จริงๆตอนนี้มันไม่แจ้งมันไปดูเห็นทีนี้หน่อยๆเลยไม่ออดีกว่ากูออกความสุขดีกว่าค่ะเออมันนี้ม่มีขึ้นไปานเออหลไม่ได้กลับมแล้วก็จะเปอย่างนี้ตลอดถาท่งนี้ให้รู้ทันว่าจิตติดในความสุขอันนั้น แต่ล้วก็น้อมใจกลับเข้ามาเรียนรู้ทุกไว้ไม่รู้ทุกไม่เห็นธรรมนะเขาสู้นะตัวเนี้ง<ไ>ั้นจะติดกับดักตายไปซวยมากเลยปเป็นพระปลงก็เลยฟ้องลงแล้วเนตอนนี้ประอาจารย์เล่าว่าจะให้ประกาจรแน่หมัม่นหาวจะอยู่อย่างนี้ต่อไปขึ้นขึ้นบนโพลีต่อไปแล้วมีทางไหนที่ว่าเปลียนนี้แหละฝึกต่อไปอย่างนี้เลย ให้เห็นเลยว่อันนี้ก็พบพบหนึ่งนะเดี๋ยวใจก็เอื่อมละอางไ้พบว่างสว่างนี่นอมลงมาดูกายดูใจไปเห็นแต่ทุกแต่โทษไปเลยแยกกายเป็นส่วนๆไปจับกระดูกถอดเป็นท่อนๆไปเออนั่นแหละเล่นไปอย่างนั้นอะที่ทําอยู่นันะหละูแป๊บเดียเลยนะแล้วตอนนี้พอเราออกจากสมาธิอยู่กับชีวิตประจําวันมันจะคอยอยู่ที่ที่ลมอ่ะพอฝึกอยู่ที่ลมคอยดูลมตลอดเวลา เวลารู้ลมนะหยูเฟยให้ลมมันล็อกเกินจิตเคลื่อนไหวไม่ได้ให้จิตมันเป็นธรรมชาติรู้ลมเป็นแค่แปกกล่าวรู้จิตเป็นหลักนไม่ใช่รู้ลมเป็นหลักเราจิตนอนไม่ิ่งอยู่กับลมใ้่ติดสมถะบต่ถทาที่เมื่อวานอาจารย์สอนได้มีความยั่งยืนเลยฟับล่าเลยนะเพราะว่าเราตามจิตเราได้นะตองตามตตามรู้ไม่ใช่หยเล็อกให้นิ่งถ้าดูลมจะนิ่งเกินไปแข็ เลาสิลงรู้ลงสิเนี่ย่ลงเลยนะเนี่ยจิตเคลื่อนตามลมไปก็ให้รู้ทันถอยขึ้นมาอย่จมลงไปห้ใจเรารู้สึกตัวห้ใจเรารู้สึกตัวเท่าไว้นี่ไปคิดก็รู้หนี่ปคิดไปคิดะให้รู้อาหนะาไปให้ผู้อื่นบ้าง กร า, บ น, าบนมัสการค่ะโยมเพิ่งจะได้ฟังเอ็มีสามของท่านประมาณสักเดือนหนึ่งนะคะก็เลยแต่ว่าได้นั่งภาวนาสมาธิมาเป็นตลอดเวลานะคะแต่ก็ คือก็ไม่ไม่เสมอนะคะแต่ตระยะหลังนี้ก็นั่งไปนั่งสมาธิภาวนาทุกวันเสาร์ <c oughs> แล้วพอมาได้ฟังเอ็มพีสามของท่านประมาณสักเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างะคะ่ะก็ได้ท่านบอกว่าให้เข้าใจไตรลักษณ์เก็ขันแยกจิตแยกขันแล้วก็มัก สมุกไทยมากแล้วก็นิโรธก็พยายามเรียนรู้ฟังเทศของท่านทุ ก, ทกวันนะคะแล้วก็ตอนหลังก็ติด mm hmm. ติดก็เลยบอกตัวเองว่ า, เ, าเราต้องเอาแบบฝึกเ อ, เอามาใช้แล้วก็ตอนหลังนี้ก็เลยว่าจิตเริ่มเข้าใจความรู้สึกน mm hmm. ะฮะเมื่อก่อนนี้เข้าใจากายก็จะเพ่งไปที่กาย ดูร่างกายแล้วก็จะจะเครียดนคะคะ mm hmm. แต่ระยะหลังนี้ก็ตามความแนะนําของพระพุณเจ้าก็รู้สึกว่าสบายใจ mm hmm. ตามตามดูจิตไปเรื่อยๆ mm hmm. ก็รู้สึกว่าพิจารณาให้เข้าใจถึงจิตตัวเองค่ะและ้วบางทีก็รู้จิตออกไปข้างนอกแล้วก็พยายามดึงเข้ามาอะไรอย่างนี้ค <ies S 2> ่ะอย่ <c oughs> แ, แค่รู้ไปนอกไม่ต้องดึงดึงนี่เราโลภแล้ว ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจจิตว่าจิตคล้ายๆมีสองจิต อ, อย่างวั น, น, น ว, วันนั้นมีวันหนึ่งขับรถไปก็รู้สึกว่าขับไปเรื่อยๆแต่จิตเราก็รู้ว่าเราขับรถนะคะแล้วอีกจิตหนึ่งก็คอยสังเกตดูรู้ว่าขันนี่ทำงานออแต่มันจะเป็นบางระย ะ, ะ, ะเ อ, อแค่นั้นพอลนะ เพรเวลาในเวลาขับรถนะตู่แต่ขันไม่ได้หรอกแต่รู้เลยรู้สัมผัสว่อ้อันนี้ท่านหลวงพ่อพูดพูดถูกแต่ก็บางครั้งก็จะสับสนนะคะก็พยายามดึงพยายามเข้าใจจิตตัวเองตอนนี้ครั้งแรกก็เขียนข้อข้อคําถามเยอะเลยพอท่านมาเทศเขารู้สึกว่าโอ้ตอนนี้เข้าใจแล้วก็เลยว่าที่ปฏิบัตินี้ถูกหรือไม่ถูก ก็ <southwest> ja. ตอนนี้ก็กดเล็กน <catching his> <out> ่อยเพราะว่า like จิตใจตื่นเต้นค่ะก็ขอรีบถามแค่นี้นะคขอบคุณอะเวลาไปรู้สภาวะนะจะให้จิตเป็นถล่มลงไปรู้นะเวลาอย่ารู้ลมนะจิตก็ไหลอยู่ที่ลมอย่ารู้ไปแค่รู้แค่รู้อยู่ห่างๆนะไม่ถล่มลงไปหมดถล่มลงไปกลายเป็นเพ่งพอเพ่งก็สว่างขึ้นมาสิเพราะาเขาทําสมถะ ถ้าสวางขึ้นมาก็ติดถ้าติดแล้วก็ไม่เจริญปัญญาย้อนมาดูกายก็ทุกดูจิตทุกเป็นภาระไปหมดไม่เอาดีกว่ากลับไปอยู่สวนะรรค์อ๋อนี่ใช่ไม่เป็นไรพระพุทธเจ้ า, ามีอีกหลายองค์ที่ที่โยมปฏิบัติ อ, อใช้ได้ใช่ไหมคะใช้ได้ใช้ได้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 ก็จะไปสังเกตอีกว่าสมมติว่าเวลาทํางานเร่งๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเครียดๆอะไรเงี้ยค่ะจะสังเกตว่าก้ามเนื้อข้างหลังเกือนกระบรวมๆเป็นหดขึ้นทุกครั้งที่รู้สึกตัวว่าความเครียดหรือว่าความเร่งๆอะไรเข้ามาก็จะรู้จะเห็นเลยว่าก้ามเนื้อมันหดแล้วตัวเองก็พยายามเรียบล่อยมันลงการทําแบบนี้เป็นการแทรกแซงหรือ่าไม่ไม่ก็ทำแน่นอนก่อนเพะเพราะเพราะว่ามีความรู้สึกว่า ทุกครั้งที่เรารู้ตัวแล้วก็เราจะเห็นว่ากล้ามเนื้อเรามันเกร็งเราก็ผ่อนคลายให้มันถูกนะให้มันช่วยช่วยเขาทำงานทีนี้นะไรใช่านเกินไม่งั้นนะมันจะกลายเป็นเส้นเหล่อกล้ามเนื้อเจ็บปวด ว่าสมมติว่ากุศลกับอกุศลอะไรเงี้ยใช่ไหคะก็คือพยักคือดูแค่ตัวเองอะค่ะสมมติว่าเราโกรธใครสักคนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะเราเราจะไม่ไม่คิดอยากให้อัยเขายังไม่ยังไม่มีตรงนั้นอะค่ะแต่จะเลียตัวเองว่าถ้าสมมติเราโกรธเนี่ยเราเราใส่โลบให้ตัวเองละเราก็จะไม่โกรธอะไรเงี้ยค่ะถ้าทำแบบนี้เรื่องมันมันจะเป็นการสะสมความเห็นแก่ตัวหรือว่าไม่เห็นแก่คนอื่นหรือเปล่าให้รู้ของเราเองก่อนก็ยังดี <ต>ไม่ต้องออไปสนใจคนเด่นนะแต่ว่าจริงใจครับโกรธขึ้นมาก็รู้แต่ไม่ต้องไปให้ค่ามันะไม่ใช่ว่าโกรธแล้วต้องปิดลบนะโกรธก็เป็นสภาวะธรรมที่สอนธรรมะเราตเท่าๆกันดีนั่นแต่เราไม่ได้ทําตามที่ความโกรธสอนแล้ว ต, ต้องทําอะไรด้วยคะทำอะไมด้วยทำไป ไ, ไม่ใจร้อนนะไม่ควรใจร้อน ทำไปสบายสบายสม่ำเสมอสำคัญฝึกไปได้ให้สบายๆถ้ารีบรเรานิ่งเครียดดับก็ธรรมดาเครียดง่ายประเภทลุยแหลกนะแล้วรู้สึกแบบสบายๆธสสรรัศการหลวงพ่อระมเกีย โยมเองเป็นหลานของพึ่งกนิษฐานและเป็นพี่สาของสรัญญายกขอกราบข อ, อกระหม่อหลวงพ่อที่ได้ร่่งเกินกายว่าจจและใจแล ะ, ะขอกราบขอพุทคุณหลวงพ่ อ, พอที่ไม่ธรรมะด้วยค่ะสาธุบางรายการมีคนข อ, อกระหม่อมอยู่เดี๋ใชแต่ <laughs> มีแต่คนข อ, อกระมาอมติประกาศแล้วนะ เอาเม า, ามแล้วให้มดเลยนะคุณพ่อคะคือโยมมีปัญหาในการปฏิบัติคือเวลาปฏิบัติสมาธิแล้วมีแสงสวา่างเหมือนกับโยมที่เมื่อกี้ที่เกี่ยวกับเรื่องสมาธินะคะแต่โยมท่านนั้นไปสวา่านะโยมไปนรกตลอดเลยทำไมล่ะ <c oughs> โยมจะเห็นโทสะเห็นบางครั้งพเป็นเกิดเป็นแสงสวา่างก็จะเห็นเป็นไฟบ้างเลยว่างทราบว่าเป็นกิเลสตัวโทสต์ แล้วก็คือใจจะไม่สู้ค่ะ<ม>เขาจะถอยอยู่ตลอดให้ใหย่าไปดูที่แสงอย่าไปดูที่ไฟนะให้กลับมารู้ทันที่จิตเช่นจิตกลัวหรือว่ากลั ว, ล ว, ลวจิตไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบนะกลับมาดูจิตค <c oughs> ไม่ว่า <c oughs> ไม่ว่าสภาวพอะไรเกิดขึ้นในหะ้ <c oughs> รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นจิตที่จิตคเมื่อกลับมารู้ที่จิตแล้วบางทีจิตไม่มีกําลังนะคะหลวงพ่อ สู้ไม่หวย่ะคจะถอยท่าเดียวโยมคุจะทำอย่างไรที่จะสร้างทำใจให้สบายน ะ, ค, ะคิดเอาก่อนก็ได้ว่าทุกอย่างนี้เป็นของชั่วคราวทั้งหมดเลยช่วยมันคิดพิจารณาไปช่วยที่เป็นพิจารณาได้ไ ด, ได้ต้องช่วยมันก่อนบางครัคิดว่าเธอพิจารณาแล้วก็เกรงว่าจะเป็นการเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านไปก็ะจะพยายามตามดูนไะด้ คือถ้าตามดูไหวให้ตามดูไปถ้าตามดูไม่ได้ก็คิดพิจรารณาจะได้มิถกครูบาอาจารย์อยรสอนแบบนี้เลยนะอย่างหลวงพ่อพุธท่านก็สอนการพิจารณาการคิดพิจารณาไม่ใช่วิปั ส, สนา ค, คือการนําเร่องให้จิตมันเดินปัญญารหรือการคิดพิจารณาเนี่ยมันได้สมถะทำให้จิตสงบจิตมีแล้วมีแรง ม, ม, มันมีแรงก็มาเดินวิปัสนาต่อเพราะฉะนั้นก็ พยายมสู้ต่อไปนะสู้ต่อสู้ต่อสู้เลสเจ้าเจ้สู้รานะกิเลสเป็นครูสังเกตไหมพระเจ้าสอนนะดูขรัที่สูจนเท่าไหร่จิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตไม่มีราคาให้รู้ว่าไม่มีราคาทําไมท่านไม่สอนดูพระที่สูจนเท่าไหร่จิตไม่มีราคาให้รู้ว่าไม่มีราคาจิตมีราคาแล้วก็รู้ว่ามีราคา ก็ยืนพื้นของเรามันกิเลสเท่านั้นะท่าสอนมาจากสิ่งที่ว่าเรามีเยอะแล้วพวเรามีกิเลสเยอะแยะแล้วท่าเริ่มต้นจากกิเลสไปกิเลสมันเยอะสุดเลยไม่สู้กับมันแต่เรียนรู้มันต่ให้รู้เลยกิเลสสวยกิเลสจิตสวยจิตโคลัน น, น, น, นาเนกมัารหลวงพ่อค่ะ ตอนที่เริ่มต้นที่หนูฟังเทศของพ่อนะคะหนจะรู้สึกแน่นมากแล้วก็แน่นมากที่คอคะ่ะนี่คือปัญหาของการปฏิบัติของหนูแต่ตอนนี้รู้สึกว่ามันเบาลงทีนี้ในในช่วงที่มันแน่นนะคะหนูก็ไม่ไม่ทราบนะคะว่าหนูกดหรือหนูเพ่งหรือเห็นความมีความโลคหรือความอยากปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อก็พูดเมื่อวานนะคะไม่เห็นตรงนั้นแต่หนูจะรู้สึกมากว่ามันแน่นมากะคะ่ะแน่นจะเป็นผลแล้ นะมีกิเลสเกิดการบังคั้กิเลสที่อยากปฏิบัติเกิดการปฏิบัติให้บังคับตัวเองเป็นการกระทํากรรมเกิดวิบากขึนแน่นแะห่งกิเลสกรรมวิบากหมุนกันอย่างนี้เพราะงั้นถ้าใจอยากปฏิบัติให้รู้ว่าอยากแล้วก็ภาวนาไปรู้สึกกายรู้สึกใจรู้ความจริงของกายของใจไปไม่หวังผลอะไรหรอกถ้าจะสบายแต่ถ้าอยากปฏิบัติก็นแน่นเะลยเราหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนที่ฟุ้งซ่านมากค่ะ เพื่อนจะบอกว่าหนูเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่จริงๆหนูทราบว่าหนพูดมากค่ะแต่พูดข้างในค่ะพูดข้างในแล้ววันหนึ่งมันพูดพูดจนแข้นด้วยนะพูดจนจนคือเราเห็นว่าเราพูดอยู่ตลอดเวลาแต่มันไม่ได้พูดออก่ากๆค่ะจนบอกตัวเองว่าหยุดพูดได้แล้วมันเหนื่อยค่ะันเหนื่อยมากเลยค่ะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วคือถ้าจะให้ข้างในหยุดพูดเก็ทําสมาธิ พุทโธไปแทนพี่จะให้เขาพูดสเปชสปาะนะให้เขามาพูดพุดโทโธธรมโมสังโฆหลไซะแนตะ่าห้ามพูดห้ามไม่ได้นะพาไปพูดเรื่องอื่นซะอีกเรื่องหนึ่งคะ่ะเพื่อนที่แซนิเอโกได้ฟังซีธีของหลวงพ่อในช่วงที่ชีวิตเขากำลังลำ บ, บากทุกข์มากๆาเลยฝากมากับนามสการหลวงพ่อที่ ที่เขาได้ฟังซีดีแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารอดพ้นจากช่วงนั้นที่เขาไม่ฆ่าตัวตายค่ะเขาฝากมาอกากับหาวงพ่อดาวยทุกที่เขาไม่ฆ่าตัวตายซะก่อนมีเยอะนะแบบทุกมากๆในสัมผัสธรรมะธรรมะของพระเจ้าไม่ใช่ของหลวงพ่อมาทางนี้เลยใช่ไหมมานบุกมาเลยมาให้หมดเลยแต่กี่คน วิธีปฏิบัติหลายรูปแบบที่จะถูกเฉลีกของตัวเองะคะ่ะแต่ก็เหมือนกันเลยไม่แน่ใจว่าวิธีไ<ม>หนจะถูกเฉลีมากที่สุดก็ว่าวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัตนะินที่สำนักนอนสำเนียงนี้สอนถ้สังเกตให้ดีมันคือรูปแบบของการปฏิบัติอย่าทางนี้สอนพองยุบทางนี้พุโทโธทางนี้หายใจนี้พีนางกา ย, เ, ยเป็นรูปแบบซนั่เองตัวสําคัญที่เป็นแกนกลางของการปฏิบัติจริงเรามีสติไหมเรามีสมาธิพร้อมไหม เราฝึกพวกที่ขึ้นมาแล้วก็ไปหารูปแบบที่พอดีพอดีเราแล้วแต่ทิศัยเนี่ยนั่นตัวสำคัญเลยที่ต้องพัฒนาขึ้นใ ห, หม่ได้ไม่ว่าจะอยู่สำนักไหนให้ต้องมีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องแล้วรูปแบบอะไรก็ใช้ได้หมดเลย <Okay. S 1> แต่ถ้าสติไม่ถูกสมาธิไม่ถูกใช้รูปแบบอะไรก็ผิดหมดแหละใช่าจ่บรรพูไหมใช่มันฟู งั้นทำใจให้สบายเหนหนะ mm. าอารมณ์กรรมฐ า, านสักอย่างนพดโทอะไรก็ได้นะ mm. แล้วแต่ถนัดอันไหนที่อยู่แล้วสบายใจก็อยู่อารมณ์นั้นพอจิตใจสง บ, บจิตใจสบายแล้วจิตใจตั้งมั่นเมารู้ตัวก็มาดูกายดูใจทำงานจะดูแบบไหนอะตามสานักไหนอะไรก็ใช้ได้หมดแล้ว mm. คือถ้าสาังเกตได้ดีนะถ้าเข้าใจสิ่งที่หวพอสอนแล้วนะ ไปอาหารรมะของครูบาอาจารย์แต่ก่อนที่เราไม่เข้าใจก็จะเข้าใจด้วยแล้วเวลาเราไปเจอทักปฏิบัติทั้งหร่เขาทําอย่างนั้นอย่างนี้เราก็เข้าใจเขาด้วยเพราะเราเรียนหลักของการปฏิบัติเลยรูปแบบของการปฏิบัติเนี่ยมันไม่ดีไม่เร็วไปกว่ากันแต่ว่าแต่ไต่ถนัดอะไรก็ใช่นะั้นเลยเพราะฉะนั้นเราฝึกสติถูกฝึกใจให้ตั้งมั่นสติที่ถูกต้องก็คือร่างกายเคลื่อนไหวรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวรู้ทัน แล้วก็สมาธิที่ถูกต้องก็คือใจเราตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ดั้นจิตไหลไปคิดรู้ท่านจิตไหลไปเพ่งรู้ทันอย่างเงี้ยนะจิตไหลไปดูรู้ทันจิตก็จะตั้งมันให้มีจิตตั้งมัน่นมีสติระลอยู่ในกายในใจด้วยจิตที่ตั้งมัน่นถ้าจะเห็นความจริงของกายของใจได้จะไปใช้ดูท้องของยุบก็มีจิตเป็นคนดูถ้าเห็นว่าท้องนี้ไม่ใช่เราร่างกายไม่ใช่เราจิตที่เป็นคนดูก็ไม่ใช่เรา ขยับตัว อ, อย่างรูวพระเทียนก็เห็นในร่างกายที่เคลื่อนไหวร่างกายที่หยุด น, นิ่งไม่ใช่เราจิตเป็นคนดูอยู่ต่างหากจิตเองก็ไม่ใช่เราใช่ก็ประทานอะไรเหมือนกันหมดลงที่เดียวกันหมดแต่ถ้าทําผิดนั้นก็ลงที่เดียวกันไปลงสมถะเพ่งไปดูท้องฟ้องยุบเพาไปเพ่งท้องไปรู้ลงหายใจก็เพ่งลงหายใจไปดูเวทนาก็เพ่งเมื่อไหร่จะชนะเวทนา เ, นาเราเราจะรู้สึกว่าในคําสอนมันหลากหลาย เก็เข้ากันไม่ได้ไม่รู้อะไรจะลิงกันตรงไหนมันลิงก์ด้วยสติกับสมาธินี่เาก็ <c oughs> าานเนสติกับอุเบคาคอุเบขาใหลายระดับนะอุเบขาของเวทนาอย่างหนึ่ง น, นะอุเบขาที่เลิศที่สุดเลยอุเบขาด้วยปัญญ า, าสังขารอุเบคาอย่างเป็นชื่อของปัญญา อยู่ๆจาไปทำให้เกิดอุเบกขาได้วยการบังคับเอานะเป็นอุเบกขาเพราะสติเพราะสมาธิเท่านั้นเองส่วนทั้งอุเบกขาเพราะปัญญาเกิดได้เมื่อไหร่เลเลิศที่สุดเลยอุเบกขาเพราะปัญญาเช่นมันเห็นว่าความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวถ้าจิตเข้าสู่ความเป็นกลางต่อความสุขและความทุกข์เป็นอุเ<อ><อ>บกขาต่อความสุขและความทุกข์ตรงนี้ถึงจะ ด, ดี แต่ถ้ามีเวทนาขึ้นมาเบอกให้ใจเปอุเบกขาอันี่สมาธิเราเนี่ยอุเบกขาตื้นๆอยู่แล้วเวลาปฏิบัติมักจะมีทีนั่งิ้งทากล้องยังอยู่เลยก็ตัวปกติก็ตเดปกติจะเคลื่อนไหวบางคนนั่งนิ่งไม่ได้นั่งนิ่งแล้วสืบนั่งนิ่งแล้วหลับเคลื่อนไหมวเราเคลื่อนไหว ม, มากไม่ได้ไม่มีที่จะเดินสมมติเราที่เราพาักแค่แค่ เคลื่อนไหวมือเคลื่อนไหวแบบหลบเทียนก็ได้แต่ถ้าลำคาญจังหวะแค่สิบสี่อันลำคาญแค่กระดูกกระติบเคลื่อนไหวเคลื่อนไห ว, ไหวให้รู้สึกแต่ไม่ใช่เอาไปตัางต่อยอนนะไปนั่นอะไรมย่างนี้ไม่ได้เคืียดรู้สึกไปเลคลื่นไหวไปถ้ามันเคลื่อนไหวอยู่แล้วมันไม่ค่อยหลับคนนั้นโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าอายุห้าสิบขึ้นจะอยู่นิ่งๆทีก็ซึมไ ใช้ร่างกายมาช่วยกระดูกกระดิ่งไว้สังเกตไม่ลวงพ่อไม่ไม่นั่งนิ่งตั้งแต่เป็นโยมเลขยับเท้าด้วยเพราะงทีนั่งทํางานขยับมือน่ะมันนั่งเกลี่ยนรือนั่งประชุมเราก็ข้อไปเรื่อยนั่งเกลี่ยขยับเลื่อนไหวอย่างเวลาเราเข้าประชุมอย่าเข้าพูดกันสังเกตดูแต่คนเวลาเข้าประชุมแล้วพูดนะเนื้อหาสาระไม่มากน้ํามาก ตอนที่เขาทำแล้วก็ภาวนาเราไปมันมีเนื้อที่น่าสนใจแล้วก็ฟังเราเวลาที่เหลือเราก็ภาวนาหรือเราไปขายของเนี่สบายในเวลาไขายของภนาะวนาได้ตลอดไหมแต่เวลาที่ทํางานต้องคิดอย่างเขียนซ่อแมแย่อะไรเงี้ยปฏิบัติไม่ไดนะ้เวลาที่เหลือกระดด ก, กดิกไปข้ามจุ่มนะใจลอยอย่างใหเดียวไคิด นีไปคิดให้รรู้ทันนีไปคิดอีกยังยังไม่รู้เรู้สึกนะะรู้สึกนะจิตไหลไปแล้วรู้เถอะรู้สึกไปมาสการ์หลวงพ่อกับซีดีของหลงพ่อมาหลายปีกต่คำชักชวนของเพื่อนครับหมอท็อปาติ ช่วงหลังก็ได้ปฏิบัติในรูปแบบยอะขึ้นก็สังเกตเนความเปลี่ยนแปลงแต่ว่ า, ายังไม่แน่ใจว่ายังบังคับอยู่หรือเปล่าปกติจิตเหมือนตอนนี้ไหมตอนนี้ก็รู้สึกนิ่งนิ่งหนึ่ ง, งแต่ตอนนี้บังคับแนตะ่เวลานิ่งกว่าความเป็นจริงแสดงบังคับอยู่แต่ถ้าในชีวิตจริงไม่ได้เป็นอย่างนี้นะจิตกระทบอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนแปลงให้เราดูได้เรื่อยๆก็ไม่ได้เพ่งหน่อยแต่ถ้ากระทบอะไรเราก็เฉยกระทบอะไรเรากเฉย อันนี้ิดไปบังคับมากไปสังเกต น, นะนะเราเป็นํานั้นนีครับภาวนาต้องใจเย็นๆนะค่อยทําไปด้วยขอบคุณเแล้ว อ, อ่นเดียวค่อยๆอึดไปนะไม่เรียบร้อนยะจิตมีความสุขขึ้นมาหรือว่ามีความสุขนะมันแฝ่ขึ้นมามันฟุดขึ้นมามันหายไปแล้วก็าหายไปก็สึกงไปสบายๆนะ นนกับนโมศกันเพาะครับ <c oughs> วันนี้ฟังธรรมขอพาะคือเข้าใจหลยส่วนมากขึ้นะนะเพราะจิตละนี่คำถามเยอะมากเราเราฝึก ด, ดูเจ็ดเราตลอดนะครับว่ามั น, มนเดี๋ยวกอดเดี๋ยวไม่กดเดี๋ยวโลกเดียเด๋ยวไม่โลกเดี๋ยวราคาเดี๋ยวไม่ราคราคคเดี๋ยวพอใจในความสวยคาม ง, งานนะคุณย่มันก็นเฉยเอย่างเงี้ยครับบางครั้งเวลาที่เราหลุดตัวครับว่าเราเราโกโรธนั่นคือ คือมีผู้รู้เห็นผู้คิดอยู่ใช่ไหมครับใช่บางครั้งก็อยากจะให้มันหยุดโกรธเน่ mm hmm. ผมทราบว่ามันยากรั mm hmm. มันมันไม่ได้ใช่ไหมครับเราทำไม่ได้เพราเป็นนันตาก็ใช่แต่ mm hmm. ถ้าเกิดบางครั้งเขโกรธ mm hmm. บางครั้งก็อาจจะพูดไม่ดีหรืออะไรไปเนราจะทํายังไงให้ความโกรธมันมันสงบลงไม่ได้หรือค ร, รือเราต้องตั้งใจไปก่อนนะว่าเราจะไม่ทําผิดศีลเพราะเวลาที่เราทํำมิปัสสนานี่เราจะไม่เก็บกดจิตนี่ยมันจะโกรธได้ ไม่เหมือนทําสมถานนะถ้าทำสมถาน ะ, มานะไม่ต้องพูดเรื่องสีเท่าไหร่ไม่ยุ่งกับไขวันๆัลยมุดเข้าถ้ำรูปเดียว <c oughs> แต่ถ้าเราเดินในศาสนาเนี่ยจิตมันจะอิสระมันจะโกรธให้มันตั้งใจก่อนวนะ่าถึงโกรธก็ไม่รูกรานใครตั้งใจบอกมันได้ๆนะบอกทุกวันทุกวันแล้วก็ไปล่อยไม่โกรธแล้วก็ดูเอาโอเคครับเดี๋ยวจะลฝึกเพิ่มเติมดูครั้งต่อ มีคำถามที่บ้านครับพอดีมีเพื่อนพี so yeah, so ่สาวฝากมาครับว่าพอดีเขม่รู้ครับเราเขาอยากจะสอนลูกให้เข้าถึงธรรมะเนี่ยจะมีเทคนิคง่ายๆที่เลวพ่าจะนะนำไหง่ายๆเลยนะแม่เราทำมากกว่านม่อู่ด้วยครับก็แม่แหลต้องทตัวอย่างให้เด็กเห็นอยู่ๆไม่เชี่ยวเขียนเด็กให้มีธรรมะนะเด็กไม่เอายิ่งสอนพ่อสอนแม่ยิ่งยากกว่าสอนลูกอีกนะ สานพ่อสอนแม่ต้องทาให้ดูให้เราเข้าเห็นความเปลี่ยนแปลงของเรามากๆภาวนาใช้ได้นะนะครับราวนาใช้ได้ใจมันเป็นคนรู้อยู่ด้วยขันมันแยกออกไปดูออกบ้างไหมอย่างความโกรดกับจิตเป็นคนละขันกันเห็นไหมอะไรขันมันแยกกันนะความโกรดเป็นสังขารขันจิตมันเป็นมีญานขันขันมันแยกออก เห็นไหมความสุขความทุกข์กจิตเท่าคนละนั่นก็คือตัวเบธนาขันนม่แยกออกไปเพาเราเห็นขันในเชิงเดียวแนละ้วแต่ละขันแต่ละขันแต่ละตัวแต่ละตัวนะเราถึงจะเห็นใจรักแต่ถ้ามันรวมกันมาเป็นก้อนเดียวกันเป็นตัวเราอยู่เนะี่ย mm. ดูใจรักไม่ออกอย่าพลิ้งใดแน่นเลยครับขอบคุณพระเจ้ครับ เขาพูภาษาไทยได้ไหมไแล้วเปิดซีดีหลวงพ่อให้ได้ยินเรื่อยๆหลายคนเขาใช้วิธีนี้น ะ, ะได้เป็นไรไในเมืองไทยอะจํำนวนมากเลยที่พอขึ้นรถนนก็เปิดซีดีหลวงพ่อเลยเด็กมันก็ฟังไปเรื่อยสนใจบ้างไม่สนใจบ้างวันหนึ่งแม่โมโห ม, ห ม, มากครับตอนเด็กบอกแม่โกรธแล้วรู้ว่าโกรธ น, นะโมเป็นแสนมาก มันเป็นเองอะน้อมสักการะครับท่านอาจารย์วันนี้ที่ท่านอาจารย์เทศก็รู้สึกว่าช่วยตอบปัญหาที่ผมสงสัยอยู่หลายข้อครับผมทีนี้ก็จะเหลือคำถามว่าคือก็ฝึกปฏิบัติตามแนวทางสายพระปราดนะครับ มาหลายปีแล้วครับแต่นี้มันก็ขึ้นๆลงๆลไม่ได้มาตรฐานครับคือครูบาาจารย์นักป่าเนี่ยท่านสอนด้วยการทำให้ดู mm hmm. เวลาเราปฏิบัติอยู่กับท่านเนี่ยต้องใช้สังเกตเาเป็นนั่งถามไม่บอกง่า ย, ายๆนะท่านทำให้ดูนี mm ่ hmm. แต่ถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อบอกแล้วไปฟัง mm hmm. ะจะง่าย uh huh. เวลาผมไปปฏิบัติเนี่ยครับก็ตอนที่ ไปอยู่วัดนี่มันก็ดีครับที น, นี้พอออกมาข้างนอกแล้วมันกน็มันก็รูเสร็จว่ามีสิ่งกระทบแล้วมันก็จะเสริมมีอารมณ์โกรธอะไรเนี่พร<ด>าวาเราวัดความดีด้วยสมาธิเวลาอยู่วัดนะจิตมันสงบมันสบายแล้วเพราะว่าดีออกมากระทบโลกอารมณ์แฝนไแฟแฝงมาเราว่าไม่ดีคําว่าดีกับไม่ดีของคนเะนี้ยคนใช้มาตรฐานจากสมาธินะ แตถ่ถ้าใช้มาตรฐานของปัญญาอยู่วัดแล้วสงบซื้บ้อไปเลยไม่มีปัญญาแต่ถ้าอยู่วัดแล้วก็เห็นธาตุเห็นขันมันทำงานได้ทั้งวันอันนั้นมีปัญญากลับออกมาอยู่มากับโลกอยู่กับโลกเนี่ยเห็นธาตุขันมันทางานเห็นชีตใจมเปลี่ยนแปลงอยู่มีปัญญาถือว่าดีนะไม่ใช่ไม่ดีแต่ถ้าเอาความสงบเป็นฐานแล้วก็ออกมาอยู่บโลกนั่นก็ไม่ดีหรอกก็ปกติผมก็ ตอนนี้ก็เริ่มคื อ, อฟังคำเทศนาทานอาจารย์มาเยยันไม่ต้องแอ บ, บหรอกก็สารภาพว่าอตอนนั้นที่มีปัญหาก็เลยรู้สึกกังวลว่าถ้าฟังแล้วเดี๋ยวจะเกิดตำหนิในใจก็เลยกลัวจะเป็นบาอ <ๆ S 1> <ๆ S 2> เพราะไม่รู้อะไรจริงไม่จริงครับแต่ก็ ฟังครับทาตามก็รู้สึกว่ า, าใจได้ได้รับความสุขแล้วก็เห็นผลความเครียดที่เวลาปฏิบัติเราเครียดก็จะเ่าไปคือถ้ามาขอบพรนะเจ้าละอัศจรรย์อยู่ในตัวเองนะคือถ้าเราเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดเนี่ยก็จะเข้าใจหลวงพ่อด้วยไม่งั้นก็สงสัยเพราะในโลกนี้เต็มไปด้วยข้อมูลข่าวสารแต่ข้อมูลข่าวสารเนี่ยซื้อได้ทังนั้นนะทู้ตัวเลย ตั้งแต่งไงก็ได้อย่างเวลาพีข่าวโจมตีหลวงพ่อนะโอ้ยลงนังสือพิมพ์เยาะเลยไหมเวลาผลสอบออกมานะทั้งทางคณะสงฆ์ทางเลยไม่เคยพูดเลยมีนักสึกพิมพจะมาถามว่าจะขอเอาใคโฆษณาไม่ต้องก็วงพ่บอกเขาอย่างนว่าไม่ต้อ ง, ออมมองเราไม่อยากดังใครเขาจะพีเขาช่วยไม่ได้หรอกเออเราไม่ได้ภาวนาเพื่อให้คนนักถือนะแต่ว่า คนเล่นงานหลวงพ่อไม่หลงเนี่ยพ่อผลงานเลยนะคนที่ภาวนาเป็นนะี่นะนับไม่ถ้วนนะฮะเขารู้เลยว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรธรรมะมีจริงๆนําจิตออกจากทุกข์ได้จริงๆชีวิตเราสว่างสวยขึ้นได้จริงๆไม่ได้เชื่ออะไรงงงายเลยตามสุดท้ายว่าอย่างนั้นผมควรจะปฏิบัติต่ออย่างไรครับคือตั้งใจให้ถูกทิศทางนะ เป่นปมุ่งที่สมาธิเป็นตัวตั้งสมาธิเป็นแค่เครื่องมือของการปฏิบัติอันหนึ่งเท่านั้นนะงั้นเรามาฝึกให้เห็นความจริงของกายของใจไม่ให้ฝึกให้กายนิ่งใจนิ่งนะแต่ว่าเวลามันฟุ้งซ่านมากก็ทำความสงบเข้ามาสงบพอสมควรแล้วสบายแล้วนะปล่อยให้กายให้ใจทำงานแล้วมีส ต, ติตามรู้มไป กลับมาทการพระอาจารย์ค่ะครั้งที่แล้วพระอาจารย์บอกว่าให้หนูไปดูเอออยากคิดมากหนูก็เลยกลับมาที่พุทโธแล้วก็สังเกตเห็นตัวเองว่ามีความคิดฟุ้งซ่านมากแล้วก็มีโมหะแล้วก็มีความยึดถือความยิดมั่น ถ, ถ, ถึงมันในตัวเองมากมีมานะสูงมากค่ะแล้วหลังจากนั้น <c oughs> เหเรื่องปล่าวว่าเราเปลี่ยนสังเกตค่ะทำสูงแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะ ต่อไปนี้ก็ทำอีกจิตเราตั้งมั่นขึ้นมาก็เห็นขันมันแยกออกไปกายไม่ใช่ตัวเราความรู้สึกสุขทุกข์ไม่ใช่ตัวเรากุศลอกุศลไม่ใช่ตัวเราเหลือจิตเป็นเราอย่นงหนึ่งใช่ค่ะใช่สิไม่หลอกก่ก็จิตเป็นตัวเราอยู่แล้วก็เป็นแค่คนดูนะก็ดูไปเดี๋ยวเออจิตจะไม่เจียงนะเดี๋ยวก็รู้สึกตัวเดี๋ยวก็หลบไปใช่ค่ะตัวอย่างนั้นแหะ ทีนี้อพอคื อ, อ, นอนเนื่องจากว่าหนตินิวร์เนื่องง่นงนอนอยืามาหลายเดือนมากทีนี้มีครูบาอาจารย์ท่านแนะนําให้หยุกลับมาพุโทโธแล้วก็ดูรู้สึกตัวในอิเลียบทย่อยมากเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนยังไม่ได้ดูการค่ะตอนนี้ก็เลยเพิ่มมาดูการมากขึ้นทีนี้ก็เลยรู้สึกว่ามีความเปลี่ยนแปลนิวรม น, นั้นหายไปอืแล้วก็นิวร์นั้นสู้ด้วยสมาธิมันมีวันหนึน่งค่ะที่นิวรมันเกิดขึ้น แล้วจิตเหมือนกับว่าเราจําคําสอนของพระอาจาได้อะว่าอย่าไปเพง่งถ้ายิ่งเพ่งยิ่งชัดจิตเันกไปแตกนิดนึงนะคะแล้วเขาก็หลุดเลยอืมจริงง่ายนะค่ะงนะ่ายแล้วเขาก็บอกว่าเราประคัมไม่ได้เขาจะถ้าเขาจะทําได้เขาทำได้เองเขาเองใช่ค่ะแล้ววันมีอยู่ครั้งหนึ่งที่คือช่วงเนี้อะคะ่ะที่หนูภาวนาจิตเขาจะเหมือนกับผ้าคล้ายๆผากนนะคะว่าอันเนี้ย พอรู้สึกตัวแล้วเนี่ยอันเนี้คือสัญญาอันนี้คือเวทนาอันนี้คือสำคัญทีนี้มันโนธันน์มากนี้ยจิตฟุ้งซ่านค่ะแต่ทีนี้เนี่ยหนูก็มันเหมือนกับเห็นว่ามันมันเหตุขันห้าวนเวียนเปลี่ยนแบบคล้ายๆคำว่าส่งต่อกันนะคะเป็นเหตุเป็นปัจจัยส่งต่อกันวนกันเองนะแต่ว่านั่นคือความฟุ้งซ่านใช่ไหมคะแม่เรารู้ไปสบายๆนะดูสบายๆ ถ้ามันภาพอะมันภาคมากมแล้วพูดไม่เลิกเนี่ยจิตมันฝุ้งให้เราไปแคกคนดูค่ะแต่ว่าอันนั้นผิดผิดไหมคะไม่ผิดเดววบื้อ ง, งต้นมันจะภาพก่อนค่นะแต่พอต่อไปพอการรู้ของเราชำ น, นิชํำ น, นาญขึ้นมันก็รู้เฉยเฉไม่ภาพนี่ภาคเราปกติกบภาคหนำมาถึตงตัวนี้เดี๋ยวให้เป็นอย่างนี้นะเดี๋ยวจะอย่างนีคืเาเหมือนเขาเห็นปุ๊บเนี่ยอย่างเช่นว่าเห็นมดาหลงเนี่ยเขาบ็นี่คือสำคั แต่ถ้าเห็นเป็นอดีตเขาบอกนี่สัญญาแล้วมันจะเห็นเป็นว่าสัญญาสังขาดเวทนาอย่างนี้ไปเรื่อยๆเอียนเห็นถูกอะค่ะแล้วมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ที่หนูเดินอยู่อค่ะแล้วหนูพยายามอยู่กับปัจจุบันขนาดแล้วมันเกิดสภาวะที่ระหว่างเดินเนี่ยมันเหมือนกับว่าปัจจุบันมันจบลงตามหลังอะค่ะแบบทีทีทแล้วเขาก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าพกมันเกิดดับเกิดดับทีทีอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าอันนั้นเหตุ ก็เห็นถูกแหละเห็นถูกใช่ไหมคะแต่ว่าหลวงพ่อพยายามคิดว่าอะไรไม่สําคัญก็แค่รู้อะไรก็ไม่สําคัญหรอกนะแค่เห็นว่าสิ่งใดเกิดแล้วสิ่งนัดับพอแล้วแค่นั้นนะคะแค่นั้นค่ะหลวงมีอะไรที่หลวงพ่อที่ทควจะตั้งก็ให้ใจได้พักบ้างเท่านั้นอ่าให้มันฟุ้งไปในธรรมะมากค่ะขอบคุณครับหลวงพ่อสอบสอบถาม ความกลัวความกังวลมันก็เกิดขึ้นตลอดเวลานะเราก็มันพอรู้รู้มันก็หยุดไปแล้วมันก็มันก็กังวลก็กลัวเองมันก็เกิดขึ้นเรื่อยๆทีนี้มันก็เกิดดับเกิดดับนี้เมื่อไหร่มันจะหยุดปัญหาปัญหามันยังมีปัญหามันยังอยู่นะมันก็กลับไปคิดเรื่องนี้ทีนี้ก็เกิดกังวลอีกที่จริงมันเกิดแล้วมันก็ดับอยู่ในขณะปัจจุบันนี้อยู่แล้วแต่พอเราไปทําเหตุใหม่เไปคิดเรื่องนี้อีกก็กังวลอีกก็เกิดอีก ถ้าเห็นมันไม่มีนะจะต้องมาคิดนะั่นเองก็ไม่กังวลแต่ว่าถ้าเราเห็นไปเรื่อยนะเฝ้ารู้เฝ้าดูจะเห็นวัตทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยโชคราวไปหมดใจจะค่อยๆหายกังวลไปที่มันกังวลเพราะว่ามันกลัวกระทบเรากระทบแล้วความรู้สึกไหนที่แบบว่าเออตอนเนี้ยดีแล้วนะทําดีแล้วครับคือมันจะมีความรู้สึกไหนที่แบว่าแปลว่าเออคือถ้าเราเห็นว่า ทุกอย่างไหลามาไหลไปนะเราเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปหลงยินดียินไล่ไม่เข้าไปแทรกแซงก็พัฒนานดีอยู่แล้วหรือการดีคําว่าดีคำว่าไม่ดีเนี่ยแต่และคนแต่และเวลาไม่เหมือนกันอย่างคนไม่เคยมีศีลเลยแล้วเคยมีศีลมันมก็ดีแล้วทั้งชาติไม่เคยทําสมาธิเลยนะถือแต่ศนนีลแค่เดียวก็ชักจะไม่ดีแล้ะก็ต้องพัฒนาคําว่าดีเนี่ยต้องไม่หยุดนิ่งพระเจ้าบอกท่านให้เสนอเสริมความดีที่หยุดนิ่ง เราต้องพัฒนาไปด้วยถ้าพอไปหยุด น, นิ่งอยู่เนี่ยถือว่าไม่ดีแล้ะยังไม่เคยมีศีลก็มีศีลก็ดีมีศีลแล้วก็ยังรู้จักมาทําสมาธิก็ดีขึ้นมีสมาธิแล้วไม่เจริญปัญญาก็ถือว่าไม่ดีอันละดีกับไม่ดียังสัมผัสอยูนะ่ในของที่เปรียบเทียบอยู่เด็กขี่น พอดีคุณป้าค่ะว่าเล็กบางฟังทำข้าราชการมาแล้วเกิดสนุกนะรับนลับมามรดกหลวงพ่อค่ะยมฟังซีดีหลวงพ่อมาเมื่อสีปีที่แล้วแล้วก็ที่ยมก็เห็นพลิกตัวเองเยอะเห็นเห็นทาโปร่งง่ายมากเลยนะคะแล้วก็แบบเหมือนอ่านซีดีที่หลวงพ่อตอบปัญหาที่มีก้อนอะไรยมก็เห็นลงยมก็เล่นจะสนุก ตอนนี้พอหลังจากโยมรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งโยอมจิตตกเลยไม่รับอะไรเลยจิตโยมไม่รับอะไรเลยคนะ่ะนอ้นองเขาบอกว่าให้เอาซีดีอะไรมา อ, อ่านโยมก็ไม่รับยมเพง่งไปอย่างเดียวคือเดี๋ยวก็ตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วนะค่ะยอมเป็นอย่างนั้นตลอดเ <laughs> ลยตอนนี้รักษาเพิ่ขึ้นยอมก็กลับมาดูใหม่ <laughs> แล้วตอนนี้ปัญหาของโยมคือโกรธง่ายยังเหมือนเดิมขิเล็ดยังเยอะเหมือนเดิม <laughs> แล้วตอนนี้คือยมติดชอบไปปรุงแต่ แล้วก็อยอมรู้ว่ายอมกลุงแต่งแต่ยอมรู้สึกมันสะใจะอมองผูแ้แายมันสะใจมันมีความสุข ใ, ให้รู้ทันนะบางคนเวลามีกิเลสมันพอใจนะเราพอใจอย่างนี้ผู้หญิงเป็นเยอะผู้ชายเทาที่เราพ่อสังเกตอะ่ะเขชอบแสบแสบเจ็บเจ็บแสบแสบแล้ว <c oughs> ชอบคีดเะไรเงี้ยสวมมีดานนางเอกอยู่ย่างนี้เราโมโหแล้วเราสะใจให้รู้ทันอย่างเี้ให้มันยอมใจเรายอมปรุแต่งเรายอมดึงกลับมา ให้รู้ถันว่าเนี่ยจินดีพอใจอยู่ให้รู้ถันว่ายีนดีพอใจอยู่รู้แค่นั้นใช่หมครับถอบคุณทรายดีถามดีอนลุยาต พ้นทุกพ้นกิเลสนะพน้นจากความดิ้นรนปรุงแต่งพน้นจากความหิวกระหายในจิตเนี่ยถ้าจะเดินไปสู่นิพพานเนี่ยทางเดินเนี่ยคืออริยมรรคคำนี้มรรคโยมแปดฝ่ายอนุญาตเยอะยอดมามาก็คือศีลสมาธิปัญญาเนะีลงอเอาแล้วสือหลวงพอไปดูนะมีเยอะเลยเรื่องนี้ถ้าเราพัฒนาศีลศีลเป็นเครื่องมือสู้กิเลสอยาบสมาธิเป็นเครื่องมือสู้กิเลสกลางก ปัญญาเป็นเครื่องมือสู้กับความโง่เราพัฒนานเครื่องมือในการต่อสู้ไปเวลาโชคกับกิเลสอยาบเราใช้ศีลเราสู้มันไม่ได้ไหรอยเราขมจิตไว้ก่อนไม่ให้ทําตามใจกิเลสเวลาจิตเรามีแรงขึ้นมาพอกิเลสมานะเราก็ใช้สมาธิเพื่อข่มกิเลสบ้างส่วนะปัญญาเนี่ยจะเห็นความจริงของกายของใจของรูปนามไปได้ที่จะล้างความเห็นผิดไปที่คุณถามเนี่ยดีนะ แต่มันคือทั้งหมดในคำสอนของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ครับหลวงพ่อผู้หญิงผู้หญินนี้ครับคำถาม เจสช่วไปเลยเจสค่ะผู้หญิงคนนี้บอกว่าทําสมาธิแล้วก็รู้สึกว่าตัวร่างกายหายไป<ม>แล้วก็กลัวอืเราไม่รู้จะทํายังไงต่อให้รู้ว่ากลัวนะเดี๋ยวร่างกายก็กลับมาคือ <c oughs> ให้คอยรู้ถันใจของเราไว้เจสก็ตอบได้ละตอบได้ครับ <c oughs> ให้โอกาสอ <c oughs> ครับที่ <c oughs> He said, "When fear arises, when the body disappears, know that fear has a r e s e n n i o just know that whatever arises in the mind, know that. Don't worry; the body will come back. h o a n e e o n e e e o e e e e o n n e e คีเกง่งมีหูมีตาอดเบ่านที่ด้ยลักษณะนิพานเป็นยังไงครับนิพพานเป็นความสงบนะเป็นสันตินิพพานมีลักษณะเรียกว่าสันติลักษณะใจเราไม่ค่อยมีสันติเลยเู้สึกไหมอย่าคิดนะคิดแล้วดสันติภาพเลย นิพพานมีจริงๆแต่ว่าเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเราก็จินตนา ก, การเรานิพพานจินตนา ก, การยังไงก็ไม่ถึงเราไม่รู้จักแต่นิพพานนั้นมีจริงจรต้องพอนานะถึงจะเห็นไม่ได้มันปรุงแต่งมาให้รู้ทันไม่ใช่ว่าจะทํำยังไงจะดึงไม่ให้พลุงแต่ รอาจาราายังคิดเลยไม่ใช่ไม่คิดนะแต่ท่านไม่หลงไปในความคิด